สวัสดีทุกคนนะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะวันนี้ไลฟ์สดนะครับวันนี้เดี๋ยวจะมาหัวข้ออะไร น, นะครับก็คือหัวข้อเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับทุกคนนะครับในเรื่องของรายได้ด้วยนะครับโอเคนะครับวันนี้เนี่ยใครพลาดบอกเลยว่าเสียโอกาสมากนะฮะเพราะ น, นี่สิ่งที่จะคุยสําคัญมากเลยนะครับเดี๋ยวเช็กก่อนว่าเห็นกระดาน <susceptible, S 2> <ich iro> ไหมเ <tr uth> ห็นไหมเห็นนะโอเคนะครับทีนี้ผมจะบอกก่อนว่านะฮะวันนี้เนี่ยนะครับหัวข้อที่เราจะคุยกันก็คือ ในเรื่องของความความเชื่อมั่นนะฮะทางไรายได้นะครับของเพจย q นะครับว่ามันจะทำไรายได้ให้เราได้ไงนะครับแล้วก็เรื่องเล็กเล็กน้กกอยนที่เราจะต้องคุยกันนะครับสําหรับสมาชิกทั้งเก่าและใหม่ด้วยนะครับเพื่อเพื่อเป็นผมใช้คำว่าเพิ่มวิธีคิดให้กับทุกคนแล้วกันนะครับก่อนอื่นเลยนะครับก่อนที่จะไปถึงความเชื่อมั่นเนาะผมอยากจะคุยเรื่องวิธีคิดสักเล็ ก, ลกน้อยนะครับสำหรับสำหรับการท<น>ํางานฮะเพราะหลายคนเนี่ยนะครับผมเห็นทํางานแบบรู้สึกว่า หนักมากในการทํางานนะฮะนิดนิดหน่อยคือแบบโอ้หนักมากนะครับผมอยากให้มองภาพนี้ก่อนครับว่าวันนี้นะครับในการทํางานที่เพจค q นะครับถ้าเรามองว่ามันเป็นสิ่งที่เป็นเป็นการให้นะครับหรือเป็นเป็นอะไรที่เราเอาช่องทางการเงินไปให้คนอื่นเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันเป็นการช่วยกันจร่งจริงนะครับเพราะฉะนั้นนะครับวิธีคิดข้อแรกเลยนะครับที่ตอมอยากจะให้พี่ๆนะครับเพื่อนๆทุกคนได้รู้นะครับว่าวันนี้สําหรับตัวเพจค q วคเนี่ยมันเป็นเพียงข้อเสนอนะครับ อันที่นึงเลยนะครับต้องอยากให้ทุกคนรู้จักคำนี้คำว่า just offer นะครับคือต้องให้มองอย่างนี้ก่อนครับว่าบางคนเนี่ยเข้าใจว่าวันนี้เพจคิคือแบบทำธุรกิจอะคือต้องได้เงินะคือเราอยากจะไปชวนคนะเพื่อที่เราจะได้5 0าบาทผมบอกวฮะวิธีคิดนี้อาจจะเป็นวิธีคิดที่รอ n เว a นิดนึงนะครับวันนี้ just offer เป็นเพียงข้อเสนอครับหมายความว่าวันนี้เราต้องเข้าใจก่อนว่าเพจค q อะนะครับมันทาอะไรให้กับใครได้บ้าง เราเอาเพจคิวคิวะไปทําเงินแบบไหนได้บ้างนะครับฉะนั้นฮนะวันนี้เวลาที่เราไปไปไปชวนเพื่อนเอนใช้เราต้องรู้ก่อนว่าเขาอะจะได้อะไรจากการใช้เพจคิวคเช่นวันนี้เพื่อนผมเนี่ยมีรายได้15ื่นต่อเดือนผมเอาเพจคิวคไปให้เพื่อนทำเนี่ยเหมือนกับว่าวันนี้ผมไปเสนอกระเป๋าเงินอีกกระเป๋านึงให้เขานะครับเขาอาจจะชวนเพื่อนใช้งานได้ทั้งเดือนเลยนะได้แค่10คน10คนเขามีรายได้ 5,000 บาทเข้ามาในกระเป๋าอีกกระเป๋านึงผมว่ามันก็เป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นช่องทางการเงินที่เพิ่มให้เขาละ หรือบางคนทําธุรกิจอยู่อาจจะแบบไม่มีเงินเดินงานตัวนี้ก็เป็นตัวช่วยได้วันละพันถึงสองพันก็เป็นค่ากินค่าน้ําค่าดํามันใบนะครับผมก็มองว่ามันเป็นเพียงข้อเสนอนะครับเพราะฉะนั้นนะฮะวิธีคิดสําคัญมากนะครับในการที่เราจะไปเสนอตัวเพจคิวให้กับเพื่อนๆเรานะครับผมอยากทุกคนเนี่ยไปให้จิตจิตของเราเนี่ยเวลาเราไปให้นะฮะมันจะไม่เหมือนมันจะไม่เหมือนไปเอาที่เนี่ยเรเอา เอาข้อเสนอไปให้เขาถ้าเขาเลือกว่าเขาจะโอเคมันก็ say yes ได้นะครับแต่เขาตอบว่าไม่เอานะฮะมันก็คือเรื่องของเขาครับเพราะว่าวันนี้เราเอาช่องทางทําเงินไปให้เขาเขาจะเอาหรือไม่เอาก็เรื่องของเขาครับเพราะฉะนั้นนะฮะเป็นเพียงข้อเสนอนะนะครับอันที่2เลยนะครับต้องให้เข้าใจกันว่าทุกอย่างบนโลกนี้นะครับหรือแม้กระทั่งการทําธุรกิจมันขึ้นอยู่กับคำคำนี้ฮะสเต็นะครับคำว่าสแต็คนะครับหรือสถิติ ยกตัวอย่างง่ายๆฮะทำไมมันถึงเป็นสถิติฮะบางครั้งเนี่ยเราอาจจะออกไปเชิญชวนเพื่อนๆใช้งานเนาะก็อาจจะมีคนที่ say yes กับ not yes นะครับผมผมไม่ผมไม่บอกนะว่าโปรเจกต์เนี้ยจะมีคนปฏิเสธผมบอกเลยฮะเขาแค่ยังไม่เข้าใจเขาเลยยังไม่เอานะครับไม่เอากับยังไม่เอาความหมายไม่เหมือนกันนะครับอะบางครั้งเนี่ยนะครับต้องเข้าใจก่อนว่าเราอาจจะชวนเพื่อนสักสิคนมีคน say yes กับเราแค่2คนก็เป็นเรื่องปกติ เพราะฉะนั้นให้ทุกคนเบาสบายครว่ามันเป็นเรื่องปกตินะครับผมให้มองอย่างนี้ก่อนนะครับว่าสถิติเนี่ยมันเป็นลักษณะยังไงนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับมีห้างสรรพสินค้านะครับตั้งอยู่ใจกลางเมืองเลยนะครับแล้วก็มีถนนใหญ่วิ่งตัดผ่านข้างหน้านะครับถนนเนี่ยก็มีรถวิ่งผ่านวันหนึ่งหลายหมื่นหลายแสนคันเลยนะครับคำถามคือว่าวันนี้รถที่วิ่งผ่านกับรถที่ขับเข้าไปในห้างครับอะไรมีเยอะกว่ากัน แน่นอนฮะรถที่ขับผ่านต้องมีเยอะกว่าแน่นอนใช่ไหมฮะก็เป็นสถิตินะครับอ่ะสมมติเรามองเข้าไปข้างในห้างเลยฮะในห้างเนี่ยมีร้านเสื้อผ้าอยู่ร้านหนึ่งแล้วกันนะครับคุณว่าคนที่เดินเข้าร้านเสื้อผ้ากับคนที่เดินเล่นอยู่ในห้างตากแอร์เนี่ยอะไรมีเยอะกว่ากันนะแน่นอนนะคนที่เดินตากแอร์มีเยอะกว่าถูกต้องไหมครับคนที่เดินเข้าร้านเสื้อผ้าก็มีน้อยกว่ามันก็เป็นสถิติเหมือนกันอ่ะเรามามองเข้าไปในร้านเสื้อผ้านะครับ ถ้าวันนี้เนี่ยคนที่เดินเข้าไปในร้านเสื้อผ้าคุณว่ามีคนดูกับมีคนซื้อยอะอะไรเยอะกันคำถามก็คือว่าถ้าวันนี้นะครับเราตอบได้ในใจเราว่ามันมีคนดูเยอะกว่าแน่นอนเจ้าของร้านเน่ยแคร์ใครมากกว่ากันเจ้าของร้านเสื้อผ้าแคร์คนซื้อหรือแคร์คนดูฮะแน่นอนเขาต้องแคร์คนซื้อแคร์คนที่เซเยสจริงไหมฮะเพราะฉะนั้นครับอย่างหนึ่งครับที่ต้ออยากให้ทุกคนเบาสบายนะก็คือว่าวันนี้นเนี่ยเราจ่ายเวลาจ่ายความรู้สึกกับคนที่เซเยสกับเราก่อนนะครับแล้วเราค่อย คือทําให้เขาเป็นจริงๆฮะ ค, คือพอเขาเซเยสเสร็จแล้วเราต้องสอนเขาเช่นเข้าระบบยังไงใช้เบราว์เซอร์อะไรสมัครนะครับหรือว่าใช้เบราว์เซอร์อะไรทํางานนะฮะแนบสลิปยังไงทําคอนเทนต์ยังไงนะครับคอยคอยดูแลความรู้สึกนะครับคอยดูแลการทํางานตลอดนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อเมื่อเราเข้าใจก่อนว่าโอเคเราไปชวนเพื่อนๆ เ, เ, เนี่ยมันไม่มีคนเซเยสกับเราทุกคนหรอกนะครับมันเป็นสถิติแล้วเราก็ต้องเข้าใจด้วยว่าวันนี้เราควรจะจ่ายเวลาจ่ายความรู้สึกให้กับคนที่เซเยสก่อนนะครับ โอเคนะครับเรื่องของแตทนะฮะทุกอย่างบนโลกเป็นสถิติหมดนะครับมีทั้งคอเลกอ่ะมีทั้งเจยสกับลอตเยสนะครับโอเคข้อที่3นะครับเขาเรียกว่า cost the คอสอินเดอะแมทเทอร์นะฮะคอสอินเดอะแมทเทอร์นะข้อ3นะครับคอสอินเดอะแมทเทอร์หมายความว่าแบบนี้ครับตัวเราเนี่ยเป็นต้นเหตุของความสำเร็จหรือความล้มเหลวของตัวเราเองนะครับ ผมให้หมองอย่างนี้นะครับว่าเวลาที่คนเนี่ยส่วนใหญ่จะทําธุรกิจหรือว่าทําอะไรต่างๆเนี่ยเวลาที่รู้สึกว่าล้มเหลวเนี่ยจะชอบชี้ชี้ก่อนโทษอด่าอื่นก่อนนะฮะก่อนที่จะโทษตัวเองเป็นเรื่องปกตินะครับวันนี้เนี่ยคำถามคือว่าวันนี้หนึ่งันของเราที่เราจ่ายไปเนี่ยมีใครบังคับเราจ่ายไหมฮะไม่มีใช่ไหมฮะความรู้สึกของเราที่เราใช้งานเพจยูเนี่ยมีใครบังคับเราไหมว่าต้องใช้มีแค่คนมาเสนอใช่ไหมมีแค่เพื่อนเรามาเสนอให้แล้วเราก็ตัดสินใจใช้ใช่ไหมฮะผมต้องบอกอย่างเงี้ยนะว่า ความสําเร็จเนี่ยมันขึ้นอยู่กับตัวเราจริงๆนะนึกภาพไหมฮะถ้าวันนี้นะครับเราทำเพจคิวๆนะครับหรือว่าเราทรําธุรกิจอะไรก็ตามแต่นะฮะถ้าเราไม่ทําถ้าเราไม่ทําเราก็ไม่ได้จริงไหมในข้อในรายได้ ข, ข้อที่1คือชวนเพื่อนเท่าไหร่ฮะคะ่ายอดขายคือห0สิบเซ็นต์ถ้าวันนี้เราไม่ชวนเพื่อนเราจะได้ไรายได้ข้อนี้ได้ไหมฮะก็ไม่ได้จริงไหมเราเป็นตัวกําหนดความสําเร็จของเราเองนะครับถ้าเราอยากได้เงินที่มากขึ้นเราก็มีการแอคชั่นที่มากขึ้นนะครับ ใครที่เราไปชวนเราไปชวนเขาใช้แล้วถ้าเขาไม่ใช้อ่ะเราไม่สําเร็จเหรอนะฮะเพราะฉะนั้นคุณต้องเข้าใจอย่างไรว่าบางคนเนี่ยชอบบอกว่าชวนเพื่อนไม่ได้แล้วเราก็จะทําไม่สําเร็จนะครับผมต้องบอกอย่างงี้ยนะว่าความคิดเนี่ยเป็นความคิดที่ล้าล้าหลังมากนะครับวันนี้นะครับความสําเร็จเราเนี่ยนะครับถ้าเราทํายังไงเราก็ต้องได้แน่นอนนะครับถ้าเรามีการแอคชั่นยังไงเราต้องได้แน่นอนไม่ทางใดก็ทางหนึ่งนะครับ หนึ่งที่ยังสแสวงหาเนี่ยเราโฟกัสแล้วว่าผลลัพธ์ที่เราอยากได้เนี่ยมันต้องทำโปรเซสเนี้ยนะครับผมบอกเลยนะว่ายังไงก็ได้คําถามก็คือว่าถ้าเราไปชวนเขาแล้วเขาไม่ทําใครไม่ได้ผลลัพธนะ์อ่ะแน่นอนนะวันนี้เราอยู่ในรูปทางที่มันได้เงินเราต้องได้เงินแน่นอนแต่ถ้าเขายังไม่ได้ทําก็คือเขายังไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครเข้าใจว่าวันนี้มันเป็นเพียงข้อเสนอนะครับแล้วทุกอย่างมันขึ้นอยู่กับสถิติด้วยนะครับแล้วก็ไม่ใช่ทุกคนที่จะประสบความสำเร็จเพราะว่าวันนี้เนี่ยครับผลลัพธ์ ของเราความเฉลี่ยของเราขึ้นอยู่กับตัวเราเองนะครับใครตัดสินใจแบบไหนย่อมได้แบบนั้นนะครับพอทุกคนได้ความคิดตรงนี้ไปแล้วเนี่ยทุกคนก็จะเบาสบายในการทํางานมากวันนี้เรายิ่งให้เรายิ่งได้นะครับผมบอกเลยครวันนี้ผมยิ่งให้ผมยิ่งได้ผมยิ่งผมยิ่งให้ความรู้ผมยิ่งให้ให้ให้การช่วยเหลือผมมีการใส่ใจกับทุกรายละเอียดผมยิ่งได้นะครับอยากให้ทุกคนได้เหมือนกันนะครับวันนี้เนี่ยเราใส่ใจอะไรบ้างนะฮะที่มาของไรายได้ใช่ไหม คนใช่ครับความคิดอารมณ์ของตัวเองใช่ครับใส่ใจกับเพื่อนๆที่เราชวนเข้ามานะครับบางคนผมเห็นนะคือชวนมาปุ๊บได้500ปุ๊บแล้วคือทิ้งเลยก็มีนะครับผมไม่อยากให้ทุกคนทำแบบนั้นนะครับอยากให้วันนี้เราอ่ะเข้าไปคุกคีกับเขานะครับจนเขาเป็นเรานะฮะวันนี้การการทำการทางานกับคนนะฮะคือการซื้อไอเดียกันนะครับคอลเลกซ์ซึ่งกันและกันให้กำลังใจแล้วกันผมอยากให้ทุกคนเป็นแบบนั้นนะครับเพราะฉะนั้นนะครับโอเค ผมจะให้ความเชื่อมั่นนะครับเมื่อกี้เป็นเรื่องวิธีคิดแล้วนะครับครั้นี้ผมอยากให้ความเชื่อมั่นในเรื่องของรายได้นะครับว่าข้อที่หนึ่งสสาสี่ห้าเนี่ยคุณได้ชัวร์แน่นอนนะครับวันนี้อย่าอย่าปฏิเสธนะฮะอย่าอย่าปฏิเสธว่าเงินเล็กน้อยนะครับจะสร้างเงินมหาศาลได้ผมบอกเลยฮะคแค่ถ้าเราไม่รู้วิธีการแน่นอนนะเรามองอยู่แล้วมันเป็นไปไม่ได้แต่ถ้าเรารู้วิธีการผมบอกเลยฮนะยังไงก็เป็นไปได้คุณต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่าบางครั้งเนี่ยมองคุณมอง เคยเคยทาธุรกิจแบบเอาหลักล้านน่ยไปแลกหลักแสนเอาหลักแสนน่ยไปแลกหลักหมื่นเอาหลักหมื่นไปแลกหลักพันเอาหลักพันไปแลกหลักร้อยซึ่งมาตรฐานของโลกเป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับถ้าเป็นโปรเซสธรรมดากระบวนการธรรมดามันต้องย่อมเป็นแบบนั้นนะครับแต่คราวนี้พอมาคุณมาเจอแบบเอาเงินหนึ่งพันเ่ยเอาเข้ากระ บ, บวนการการทํางานบนอินเทอร์เนต็ตอะแล้วมันสามารถทําเงินได้เป็นหลักล้านได้คุณก็ตกใจตกใจว่าเฮ้ยมันจะทําได้จริงเหรอไม่เชื่อบริษัทจะเอาเงินมาจากไหนจ่ายนะฮะผมต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่านะครับ ถ้าถ้าเข้าใจที่มาของเงินนะครับจะรู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยผมต้องผมเรียนตามตรงแล้วว่าเงินเนี่ยมันหมุนเวียนอยู่ในระบบอยู่แล้วนะครับเงินมันถูกหมุนเวียนอยู่ในระบบแล้วก็ไม่มีการเอาคือไม่มีการจ่ายเกินแน่นอนอนะ่ะคือบริษัทไม่ได้แบกรับภาร ะ, ะการจ่ายเกินเลยนะครับฉะนั้นให้เข้าใจอย่างนี้ครับว่าหนึ่งพบาทใช่ไหมฮะหนึ่งพบาทของคุณเนี่ยไปที่ไหนบ้างกันนะครับต้องรู้กันแล้วว่าไปที่ไหนบ้างนะครับถ้าใครรู้แล้วรู้อีกนะครับ หนึ่บาทผมคิดเป็นหนึเป็นก่อนครับแน่นอนนฮะห้เซนะครับวิ่งไปที่รายได้ข้อที่1นึใช่มฮ้าสิบเวิ่งไปรายได้ข้อที่1นะครับแสดงว่าถ้าวันนี้มีการแนะนําเกิดขึ้นนะครับมีการชวนเพื่อนๆนะครับมีการสมัครแนบสลิปเรียบร้อยแล้ว1000บาทนะครับรหัสของผู้ที่สมัครมีการอนุมัติเรียบร้อยแล้วนะครับเงิน 50% นะครับที่ถูกแปลงเข้ามาในระบบยันเน้นย้ํานะครับแปลงเข้าไปในระบบเรียบร้อยแล้วนะครับ จะถูกโอนมาเป็นคิวครเป็นคิวนะครับเข้ามาที่รายได้ข้อที่1นึ่ะของผู้แนะนํานะครับก็ประมาณสิบคิวนะครับสิคิวนะครับหัภาษีหน้าที่จ่ายเท่าไหร่ไม่รู้ไปดูในรายการเดินบัญชีนะครับที่ผมบอกคือหเปนาะผมไม่รู้ว่าตัดเหลือ9้าจุดเท่าไหร่นะฮะเดี๋ยวไปดูกันเอานะฮะในนั้นนะครับอ่ะทีนี้ข้อที่หนึ่งะครับห้าสิบเซบางคนแบบ ไม่มั่นใจว่าเฮ้ยเขาจะมีจ่ายเหรอคุณต้องดูอย่างนี้ก่อนครับว่า 50% เนี้นะครับมันวิ่งเข้าไปที่ตรงนี้จริงๆนะครับเมื่อมีการแอปพลิรหัสให้ดูจริงๆเลยคว่าในกล่องของ w a l l ล็ตคุณอ่ะมันได้สิบคิวจริงๆนะครับแต่มันมีภาษีนะที่จ่ายภาษีรายได้ครับหเด้วยนะครับมันได้เงินจริงๆกดออกมาก็ได้เงินจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อที่หนึ่งนะครับผมบอกเลยครว่าถ้าใครมีการแนะนําเกิดขึ้นนะครับคุณแนะนำหนึ่งคนคุณก็ได้ 10คิวเนี่ยคุณแนะนำา2คนคุณก็ได้20คิวจริงๆนะครับคุณแนะนำ10คนคุณก็ได้ 5,000 จริงๆนะครับโอเคนะฮะตามนี้นะข้อที่1นะครับทีนี้ข้อที่2นะครับเขาบอกว่า 1%20 ลำดับชั้นใช่ 1% คูณกับ20ชั้นแสดงว่า 1% คูณกับ20ชั้นมันเป็นเท่าไหร่ฮะเป็น 20% ถูกไหมครับวิ่งไปรายได้ข้อที่2นะครับในโครงสร้างไบนาลีเนี่ยนะครับใครยังไม่เข้าใจตรงนี้บ้างนะครับ โครงสร้างแบตเรี่นะฮะเป็นงี้ก่อนนะครับผมเขียนให้ดูตรงนี้แล้วกั น, นในโครงสร้างแบตเรี่เนี่ยยี่สิบชั้นเนี่ยนะครับแสดงว่าคนหนึ่งคนนะครับคนหนึ่งคนสมมุตินะฮะสมมุติผมสมัครคนสุดท้ายเลยนะเอาคนนี้เลยนะคนหนึ่งคนเนี่ยนะครับเวลาเขาสมัครเข้ามาเนี่ยแสดงว่าหนึ่งเปอร์เซ็นจากค่าสมัครหนึ่งพันเนี่ยนะครับมันจะวิ่งขึ้นมาตรงนี้ใช่ไหมตรงเนี้ยยี่สิบคน หนึ่1คนนะครับมีการจ่ายตรงนี้หีชั้นลึกแสดงว่าแบบนี้เงินตรงนี้บริษัทจ่ายได้แน่นอนเพราะทุกคนก็มีการทําแบบนี้อยู่แล้วจ่าย 1%, 1%, 20นหอชั้นนี้ผมมองคนสุดท้ายเลยนะคนของเราเนี่ยก็คือ 1% 20ชั้นตรงนี้แสดงว่าแต่ละชั้นเนี่ยมันก็จะมีการจ่าย 1% 1%, 1% 1%, 1% เปอร์เซนต์่เรืน่อรๆเนต์นึ่งรนตนึ่งเปนน่รนล้นานะครับค จ่ายได้แน่นอนตามจํานวนคนนะครับเพราะฉะนั้นกดเครื่องคิดเลขก็ออกมาตามนี้ครับบอกได้เลยฮะว่าจ่ายจ่ายได้แน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงนะฮะตรงนี้เพราะว่าทุกคนฮะมันเป็นโลจิกอยู่แล้วหนึ่งเป็นยี่สิบชั้นนะครับโอเคนะครับสําหรับข้อที่สองนะฮะจากนั้นนะครับให้พวกเราเข้าใจกันก่อนนะครับว่ารายได้หนึ่งเปอร์เซ็นยี่สิบชั้นเนี่ยนะครับมาจากค่าสมัครนะครับหนึ่งพันบาทก่อนนะฮะหนึ่งพันบาทนะฮะหนึ่งเอร์ซ็นเท่ากับสิบบาท สิ บ, บาทนะฮะสิบบาทเนี่ยนะครับคนในยี่สชั้นถ้ากดถ้ากดเครื่องคิดเลขตามกฎทวีคูณมันจะอยู่ประมาณสองล้านคนใช่ไหมฮะสองล้านคนคูณสิบาทก็ยี่บล้านนะเนี่ยฮะโลจิกซับพอร์ตกันนะครับไม่หนีไปไหนเลยนะครับโอเคนะครับสําหรับตัวยี่สิบยี่สิบล้านนะฮะจากนั้นเนี่ยมีคนถามว่อาอ้าถ้าได้ยี่สิบล้านแล้วต่อไปจะได้อะไรล่ะแสดงว่ามันจบแล้วสิ อีกหน่อยนะครับคือตอนนี้มันยังไม่มี Service System นะครับ SS นะผมใช้ตัวย่อว่า SS นะครับ service s y s t เ m เนี่ยเดือนละ6ว6วเนี่ยเท่ากับ300บาท300บาทเราได้ 1% ด้วย 1% ของ300บาท20ชั้นด้วยนะครับแสดงว่า 1% ของ300ก็คือคนละ3บาท3บาทตัวนี้เนี่ยกับคน2ล้านคนเนี่ย3บาทกับคน2ล้านคนแสดงว่าคุณจะมี Passive จากตัว Service System เนี่ยเดือนละ6ล้านบาท6ล้านบาทจริงๆนะครับถ้ามีการ Service System นะครับหรือในในเดือนเดือนนั้นเนี่ยตอนที่20ชั้นยังไม่เต็มมนะครับมีการ Service System นะครับคุณก็หนึจากจากตัว6คิวนี้ด้วยนะครับแล้วคุณก็ได้ 1% จากตัวค่าสมัคร 1,000 ด้วยนะครับทุกๆเดือนตลอดไปนะครับแต่เมื่อ20ชั้นเต็มแล้วนะครับมูลค่าของ20ชั้นคือ20ล้านต่างหากนะฮะแล้วก็6คิ ก็คือเดือนละหกล้านบาทตลอดไปนะครับสําหรับตัวอะไรได้ข้อที่สองนะฮะเพราะฉะนั้นมั่นใจได้นะครับว่าบริษัทไม่ได้เอาเงินจากที่ไหนมาจ่ายเงินในหมุนเวียนที่เกิดขึ้นในระบบตามเงื่อนไขไรายได้ข้อที่หนึ่งสองสามสี่ห้านะครับเพราะฉะนั้นจ่ายได้แน่นอนครับแสดงว่าเมื่อมีคนได้ยี่สิบล้านมันต้องมีคนได้สิบล้านสองคนจริงนะไหมคุณดูตรงนี้ก่อนนะครับสองล้านคนสองล้านคนนะครับ ในสามเหลี่ยมยี่สิบชั้นของเราเนี่ยนะครับค่าสมัครคนละหนึ่งพันบาทหนึ่งพันคูณกับสองล้านเท่ากับสองพันล้านจริงมับสองพันล้านอย่าลืมนะ ว, ว่าเกสิเอร์เซตมันวิ่งคืนยูเซอร์นะครับแสดงว่าในสองพันล้านเนี้ยมันก็เอามาแบ่งจ่ายอยู่ในนี้แหละครับนะฮะอันนี้คุยในข้อเท็จจริงเลยฮะยังไงก็จ่ายได้แน่นอนนะครับสองพันล้านมาจ่ายนี่แน่นอนแล้วมาจิ้นของ system ได้แค่สามเปอร์เซ็ท่านั้นนะสำหรับตัวนี้นะครับ โอเคไหมฮะอันนี้คือคุยข้อเท็จจริงให้เห็นเลยฮะว่าเงินวิ่งไปไหนบ้างนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าใครมาบอกว่าเฮ้ยแบบนี้มันไม่มีที่มาที่ไปของเงินตรงนี้เลยนะฮะตรงนี้เลยนี่คือคาตอบเลยะครว่า20ล้านจ่ายได้จริงๆเดือนละ6ล้านจ่ายได้จริงๆนะครับเพราะว่าต่อไปฮ ะ, ะสมมุติว่ามันมีมันมีคนนะฮะ2 2ล้านคนแล้วเนี่ยต่อไปมันก็คือเซอร์วิสเดือนละ6คิใช่ไหมฮ6คิ 1% ของ6คิ20ชั้นเท่ากับเท่าไหร่ฮะ 1% ของ300เท่ากับ สบาทสาบาทคูณยี่สิบชั้นเท่ากับหกสิบาทหกสิบบาทต่อหนึ่งคนมันก็จะวิ่งเข้าไปในนี้นะะแสดงว่าถ้าเป็นหกสิบาทต่อหนึ่งคนนะฮะสองล้านคนก็เท่ากับเท่าไหรอ่อ่ะหนึ่งร้อยยี่สิบล้านหนึ่งร้ยยี่สิบล้านก็เอามาวนจ่า ย, ยตรงนี้แหละครับเพราะฉะนั้นจ่ายได้แน่นอนนะครับสําหรับเรื่องอไรายได้ข้อที่สองนะครับโอเคครับสำหรับนี้นะฮะข้อสองนะครับ ก็คือนะฮะเมื่อกี้ 50% วิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์อีก 20% นะครับวิ่งไปที่รายได้ข้อที่2นะครับทีนี้รายได้ข้อที่3เป็นเรื่องคนกับคนแล้วนะครับผมขอยกตัวอย่างข้อ3ามไปอันเคสสุดท้ายนะผมขอข้อที่4ก่อนก็นะครับก็คือรายได้ของวิวคอนเทนต์นะฮะวิวคอนเทนต์นะครับอีก 20% นะฮะคืออยากให้รู้ที่มาที่ไปของเงินตรงนี้ให้เสร็จก่อนนะครับไอวิวคอนเทนต์เนี่ยครับคือตอนนี้บางคนน่ย กำลังกำลังแบบเฟลอะผมรู้สึกผมรู้สึกว่าเห็นหลายคนกำลังเฟลบว่าแบบเอ้ยได้วิวน้อยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยย้อนกลับไปที่คอสอินเตอร์นะฮะก็คือว่าคุณทำอะไรไว้คุณย่อมได้แบบนั้นจริงไหมแสดงว่าคอนเทนต์ที่เราสร้างเนี่ยอาจจะไม่ดึงดูดหรือแม้แต่กระทั่งไม่น่าสนใจนะครับแต่ลองนึกดูดีๆนะครับมันมีที่ไหนฮะที่ที่คุณโพสอะลงไปอินเทอร์เน็ตอะแล้วเขาจ่ายเงินให้คุณเนี่ยจากที่โพสผมบอกเลยครว่า วันนี้วิวของเพจค q วคะเยอะกว่า youtube มากนะครับขนาดยู u ูบเนี่ยวิวละไม่ถึง1สตางค์อนะคุณฟังให้ดีนะยู u ูบอะวิวอะไม่ถึง1สตางค์เลยนะต่อหนึ่งวิวอะแสดงว่าวันนี้ครต่อให้มันเป็น1สตางค์นะต่อให้เลดวิวของเราเป็น1สตางค์นะหนึสตางค์ก็คือเงินที่เขาจ่ายให้คุณกับการที่คุณโพสต์บน Facebook เลยเขาไม่ให้คุณแม้แต่สตางค์แดงเดียวใช่ไหมฮะแต่เราต้องเข้าใจอย่างนี้ก่อนว่านะครับณนะตอนเนี้นะครับมันไหม่ บางคนเนะี่ยคือแบบให้คือคาดหวังว่าแบบเฮ้ยฉันจะต้องได้เงินเยอะๆจาก View Content ฉันจะต้องได้แบบเ a ร e View ละ1บาทจริงๆมันไม่ใช่นะครับผมต้องให้มองเห็นว่ายี่าิบตรงเนี้ยมันวิ่งเข้าไปที่ View Content ก็จริงนะฮะแต่มันก็กลายเป็นกำไรด้วยใช่ไหมฮะซึ่งณนะตอนนี้จริงๆอะ่ะผมต้องบอกกอันว่ากำไรอะ่ะมันมาจากตัวนี้แหละ 20% ที่เอามาจาก View Content แต่ว่าในอนาคตนะคฟังดีๆนะฮะในอนาคตเนี่ยมันจะมาจากทั้งการ โฆษณาพรเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อมีการโพสต์มากขึ้นมีทัฟฟิตวิ่งเข้ามามากขึ้นเนี่ยยังไงยังไงหนีไม่พ้นบริษัทโฆษณาต้องซื้อพื้นที่แน่นอนครับผมการันตีเลยครับร้อยังไงคุณมีกําไรจากตัวโฆษณาแน่นอนนะครับที่สําคัญก็คือว่าณนะตอนเนี้มันยังไม่มีเซอร์วิสซิสเต็มนะครับไอเซอร์วิสซิสเต็มหคิวเนี่ยมันเอามาคิดตรงนี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อมี6คิวเข้ามาเนี่ยเหล็กวิวก็จะมากขึ้นครับ แต่ตอนนี้มันยังไม่มี Service System เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องต้องต้องเข้าใจพอยน์นี้ก่อนว่านะครับเมื่อเมื่อมีการสร้างวิวที่เยอะมากขึ้นมีทัฟฟิกเข้ามามากขึ้นคนสนใจมากขึ้นนะครับแต่กําไรในส่วนนี้มันน้อยแสดงว่าเล Vi ิวมันก็ยังต่ําอยู่นะครับอย่างเดือนที่ผ่านมาก็คือเดือนสิงหาใช่ไหมเดือนสิงหาเนี่ยมีทัฟฟิกวิ่งเข้ามาวิวเกิดขึ้นเนี่ยประมาณ2ล้าน Vi วสอล้านวิวเนี่ยผมไม่แน่ใจว่ากําไรเท่าไหร่ผมไม่ได้ถามมันนะฮะ กำไรเนี่ยคิดออกมาเนี่ยตกประมาณหกสตางค์นะครับเพราะว่ามันใหม่คนก็ยังไม่ได้เยอะมากนะครับแล้วเราก็มีกําไรแต่แค่20ซจากค่าสมัครเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นให้ต้องให้ทุกคนเข้าใจกันว่าอีกหน่อยฮนะ ค, คอนเทนต์ของเราเนี่ยที่เราโพสต์ลงไปเนี่ยนะครับมันก็จะเกิ ด, ม, กกดมันก็จะเกิดการหมุนเวียนคอนเทนต์เนะี่ยคุณต้องเข้าใจกรณีก่อนนะว่าโพสต์อะไรบนอินเทอร์เน็ตเนี่ยมันเกิดมูลค่านะ คอนเทนต์ของเราเนี่ยสามารถมีคนเข้ามาดูกี่ปีต่อกี่ปีก็ตามมันก็ยังสร้างเงินให้อยู่นะครับแสดงว่ามันไม่ได้เสื่อมมูลค่าลงเลยมันเป็นแอสเซททางอากาศมันเป็นแอสเซททางอินเทอร์เน็ตนะครับบางคนเข้าใจว่าโหต้องมานั่งโพสต์คอนเทนต์เป็น10 20ี่สิบคอนเทนต์แล้วได้เงินแบบนิดเดียวเองในช่วงต้นคุณกําลังแบบมองสั้นมากเพราะฉะนั้นต้ อ, อยากให้ทุกคนมองไกลๆยาวๆนะว่าอีกหน่อยเนี่ยพอเพจคิวๆเนี่ยป เ, เปิดออกไปกว้างมากแล้วมีกําไรมากขึ้นมีคนสนใจมากขึ้นเนี่ย คอนเทนต์ของคุณเนี่ยที่เป็นคอนเทนต์คุณภาพอบบจะมีมูลค่ามาหาศาลมากเพราะจะมีคนคลิกเข้ามาดูตลอดแล้วมันก็จะทำเงินให้คุณทุกๆเดือนทุกเดือนเป็นแพสซีฟอีกก้อนหนึ่งที่คุณจะได้จากระบบนะครับเพราะฉะนั้นอยากให้มองให้ออกนะว่าคือมันดีกว่าที่จะโพสต์ไปฟรีๆผมต้องบอกพอยดีนะคือบางคนไม่เข้าใจจริงๆเห ร, ร, รออยากได้เยอะอยากได้เยอะจากคอนเทนต์นะ่ยไม่หาคนนะ่ยฉันจะโพสต์โพสต์โพสต์โพสต์ผมต้องให้ทุกคนเข้าใจกับรายได้ข้อที่หนึ่งหรือข้อที่สี่เ่ย ในในในโครงสร้างอะไรได้แร้มันต้องมาบาลานซ์กันนะมันต้องมีคนด้วยใช่ไหมมันต้องมีการใช้งานด้วยมันต้องมีโครงสร้างตามแบบแผนการตลาดด้วยนะครับเพราะฉะนั้นทุกคนต้องมั่นใจอยครับว่าเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นผมบอกเลยฮะยังไงบริษัทโฆษณากเข้ามาได้่อนแล้วข่าวดีนะฮะอันนี้ผมต้องบอกก่อนนะครับผมคุยกับพี่ไมล์าตอนหนงวันพี่ไมล์าบอกว่าตอมรู้ไหมจริงๆตอนเนี้มีคนมาขอซื้อบริษัทแล้นะเป็นบริษัทต่างชาติพี่ไมล์ายไม่ขาย ผมบอกเลยว่าพี่มาริใจดีกับเรามากคืออยากให้ช่องทางทําเงินตรงนี้มันเป็นของคนไทยจริงๆ<ช>หรือแม้แต่โฆษณาที่ติดต่อเข้ามาเพราะว่าเขาเห็นจากกันที่เราใช้งานนี่นะครับเขาเห็นบุ๊กเขารู้ทันทีว่าเฮ้ยอันนี้เติบโตแน่นอนซื้อเลยแต่พี่มาริาบอกยังไม่เอาเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับมันจะวุ่นวายนะหรือบางทีมันมีพักการเมืองผมบอกยมันมีพักการเมืองก็นะเข้ามาติดต่ออยากจะโฆษณาพักการเมืองเอียงไปทางใดทางหนึ่งเนาะ อยากให้มั่นใจครับว่าวันนี้ไอ้ตัว View Content เนี่ยครับอีกหน่อยมันจะมีมูลค่ามากเลยคือทุกคนจะไม่โพสต์ฟรีแน่นอนต่อให้มันเป็น1สตางค์มันก็เป็นเงินนะต่อให้มันเป็นแบบ10สตางค์มันก็เป็นเงินต่อให้มันเป็น20สตางค์มันก็เป็นเงินนะ mm. เพราะฉะนั้นครับทุกคนต้องต้องต้อ ง, องเข้าใจพอยต์เรื่องของ View Content ด้วยนะครับว่าดีกว่าคุณโพสต์ฟรีคื อ, อยังไงมันได้เงินแน่นอนนะฮะทัพฟิตวิ่งไปวิ่งมา อีกหน่อยก็จะพัฒนาให้มีรูปแบบที่ง่ายขึ้นนะครับสะดวกสบายขึ้นนะครับเพียงแค่ณนะเวลาเนี้ยผมอยากจะให้ผู้นําทุกคนเข้าใจว่าเฮ้ยมันเป็นจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับอยากให้ช่วยกันนะครับสื่อสารที่มันซอสื่อสารให้แบบว่าเฮ้ยให้กําลังใจกันเพราะว่าวันนี้คนที่ทํางานเป็นโปรแกรมเมอร์คือคุณโอมเนี่ยเขาก็แบบอยากได้กําลังใจเนาะเพราะว่าเขาทำเขาทำส่วนเนี้ยมาให้เราใช้งานจริงๆนะครับคือ กลุ่มเราอะ่ะผมต้องบอกอยว่า ก, กลุ่มเราเป็นกลุ่มที่น่ารักมากนะฮะเพราะว่าเราอะ่ะคอยให้กําลังใจกันตลอดสื่อสารกันตลอดเฮ้ยตรงนั้นมีปัญหาตรงนี้มีปัญหาช่วยกันต่อแต่กลุ่มอื่นนี่คือแบบผู้นําเขาไม่สื่อสารเลยนะเขาไม่มานั่งไลฟ์สดกันแบบเนี้ยแล้วก็ไม่มาสอนเรื่องวิธีคิดต่างๆคือแบบโพสอะเสร็จแล้วแนะนำห้าร้อยจบคือแบบคือไม่อยากให้เป็นแบบนั้น อยากให้เราแบบช่วยเหลือกันให้ทุกคนเนี่ยมีรายได้ซึ่งวันนี้เราผมก็เห็นผลลัพธ์หลายๆคนอะ่ะที่เขาทําตามวิธีการของเราจริงๆอะ่ะเขามีรายได้วันหนึ่งมาละสองพันมาละสี่พันบางคนก็แบบรอถอนทีเดียวเป็นหลักหมื่นแบบนี้ยผมเห็นเยอะมากนะครับที่ติดต่อเข้ามาขอบคุณเรามาก็เยอะนะครับด่าเรามาก็มีนะฮะ บ, บางคนไม่เข้าใจก็ด่าเรามาเราก็เอ้ยอะไรหรอบอกใจเหมือนกันว่าเฮ้ยอยู่ไปทําประเภทไหนมาถึงเข้ามาด่าสรุปว่าจริงๆแล้วที่เข้ามาด่าไม่ใช่อะไรฮะคือ เข้ามาทําไปเดือนแล้วก็เหรีวิวต่ําพอเรีวิวต่ ำ, ตำปุ๊บก็แบบเออเสียเวลาทําอะไรเงี้ยคือเขาไม่เข้าใจเรื่องวิวคอนเทนต์ว่าต้องมองลองเทิมจริงๆนะคือต้องมองไกลๆจริงๆอะ่ะว่าเฮ้ยโพสของคุณอะ่ะมันอยู่ในอินเทอร์เน็ตจริงๆนะแล้วมันก็ทําเงินให้คุณตลอดเมื่อมีคนคลิกเข้ามาดูนะครับอันนี้เป็นแอคเซสเลยจริงๆนะครับผมต้องผมต้องให้ทุกคนเข้าใจว่าเป็นแอคเซสเลยจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นข้อ3ามฮะมั่นใจได้เลยนะครับ ไม่ใช่ 3, ข้อสามข้อสี่นะฮะมั่นใจได้เลยสำหรับวิวคอนเทนต์นะฮะกำไรยังไงก็จ่ายได้แ น, น่นแล้วไม่จ่ายแบบโอ้โหเพยด้วยเพราะมันคิดสัดส่วนนะครับผมเชื่อว่าในส่วนนี้นะฮะขอลงดีเทลเยอะนิดนึงนะครับผมเชื่อว่าในส่วนนี้นะครั บ, อ, อ, ร บ, อ, นนรบอีกหน่อยคุณโอจะมีการเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยไรายได้ให้ใกล้เคียงกันที่สุดนะครับเพราะว่าอะไรยนยฮะไม่งั้นเนี่ยมันจะไปกระจุกอยู่ที่คนค น, คนแบบได้แสนวิวได้ล้านวิวอย่างเงี้ยมันก็จะไปกระจุกอยู่ที่คนเดียวใช่ไหมสัดส่วนเค้กก้อนนี้ยอีกหน่อยเนี่ยมันจะมีการคิด เ, เขาเ อัลกอริทึมแบบค่าเฉลี่ยนะฮะสำหรับตัววิวเช่นถ้าคนนี้มีหนึ่งล้านวิวคุณคนได้เลทวิวจากก e ําไรเท่าไหร่ถ้าคนนี้มีหนึ่ง0สนวิวคุณคนได้เลทวิวจากกำไรเท่าไหร่ถ้าคนนี้มีหนึ่งร้วิวคุณคนได้กําไรจากเลทวิวเท่าไหร่แบบนี้มันจะมีอัลกอริทึมให้คิดแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ตอนนี roam. ้อยากให้ท <these> ุกคนน่ยนะครับช่วยช่วยสื่อสารกันก่อนทําความเข้าใจกันก่อนว่าเฮ้ยมันมันมันต้องเป็นแบบนี้ก่อนนะฮะแต่ว่าผมว่ามันก็แฝ่เพราะว่าอะไรเลยฮะบางคนเนี่ยอยากได้เยอะ่แแตบบ โพสอะไรก็ไม่รู้ไรสาระไปหมดเลยนะีไปดึงตรงนั้นมาไปดึงตรงนี้มาซึ่งจริงๆอะ่ะโอมเขาอยากให้เราอ่ะโพสตไอเดียของตัวเองมากกว่าไอเดียดีๆรูปภาพของเราหรืออะไรก็ตามของเราบางทีเนะี่ยคนก็โพสต์เรื่องรูปเรื่องเราของตัวเองเนาะรูปภาพของตัวเองแต่ก็มีคนคลิกเข้ามาดูมันก็เป็นเงินนะฮะมันไม่ได้มันไม่ได้เสื่อมมูลค่าหรือมันได้น้อยนะมันได้ตามสัดส่วนที่มันควรจะได้เนาะนะครับสำหรับตวัว View Content น, น, นะก็ให้เข้าใจแบบนี้ก่อนนะครับโอเคนะฮะทีนี้ เดี๋ยนะผมสรุปแป๊บหนึ่งนะครับมันกระดานไม่พอใช้กระดานเล็กนะฮะถ้าเป็นกระดานใหญ่ก็เขียนไม่พอนะฮะห้นะครับวิ่งไปที่ผู้สปอนเซอร์นะครับรายได้ข้อที่1นะครับ20นะครับวิ่งไปที่ 1% นึคูณยีิชั้นนะครับรายได้ข้อที่2นะครับอีกยี่สอร์เซนะครับวิ่งไปที่ Vi วคอนเทนต์นะฮะวิวคอนเทนต์รายได้ข้อที่4นะครับทีนี้อย่างนี้ก่อนครับ ไอรายได้ข้อที่3อ่ะผมวางตอไอ้ได้ข้อที่3มเนี่ยมันคือผมใช้คาว่าปกติเนี่ยคว่าแหวกมันคือภาษีมูลค่าเพิ่มที่ต้องจ่าย 7% ใช่ฮะแต่คราวนี้เอ า, อางี้ก่อนผมไม่รู้จะเรียกมันว่าอะไรดีอ่ะผมเลยเรียกมันว่ า, าการบริหารแล้วกันบริหารบริหารคนกับคนน่นะครับสแสดงว่าตัวเราเนี่ยนะครับรายได้ข้อที่3มบอกว่าถ้าบริหารส0จากสมาชิกแนะนำตรงใช่ฮ ะ, ะแสดงว่าตัวเราเนี่ย เราจะแนะนําตรงกี่คนก็ได้เมื่อมีการลงไปช่วยให้เขานะฮะเขาเกิดรายได้มาเนี่ยเวลาเขาถอนคิวเน้นย้านะฮะรายได้คนนี้เกิดจากการถอนคิวออกจากวอลเล็ตเท่านั้น น, Q, ออ et, ะนะครั บ, เ ม, ร บ, ร เ, รบเมื่อมีการถอ น, Q, นคิวออกจากวอลเล็ตเราจะได้สิเนะครับเสมอเลยฮะทุกครั้งเลยฮะเมื่อมีการถอนคิวนะครับเราจะได้สิทุกครั้งนะครับแสดงว่าวันนี้ถ้าผมมีนายเกับนายบแล้วกันนะครับนายเกับนายบีสองคนมีนายซด้วยสมคนนะครับ A,B,C เนี่ยผมช่วยเขาให้เขามีทีมงานให้เขามีรายได้คนละหนึล้านบาทนะครับเมื่อใน A,B,C ถอนคิวออกจากระบบนะครับผมจะได้จากใน A 10เซก็คือ1น 0,000 จากใน B หนึ่ง0สนจากใน C 10,000 แสแสดงว่าวันนี้ยผมมีรายได้ส 0,000 นนะครับจากข้อนี้นะครับแต่ใน A กับใน B เวลาถอนเขาก็ได้9ก้0แสน0ก้นะครับแต่ทีนี้ผมฮะผมก็จะมีผู้สปอนเซอร์ผมหนึ่งคนใช่ไหมครับเมื่อผมถอนสา 0,000 ของผมเช่นกันนะ ก็จะมีผู้ที่ได้ค่าบริหารในผมไปสิเปอร์เซนหมือนกันนะครับก็คือผู้สปอนเซอร์ผมเขาก็ได้จากผมไปสาม0 0ื่นผมก็จะได้สองแสนเจ็ดแบบนี้นะครับสำหรับตัวสาหรับตัวค่าบริหารนะครับทีนี้เนี่ยต้องบอกอย่างนี้ก่อนว่าบางคนบอกเฮ้ยแบบนี้เราก็เสียดิเสียจริงๆคุณต้องเข้าใจว่าคุณไม่ได้เสียอะไรนะ ว่าอะไรไูไมรเราอ่ะมีสิทธิ์ที่จะได้ค่าบริหารน่จากกี่คนก็ได้ที่เราแนะนำแต่วันนี้เราให้ค่าบริหารกับผู้ที่เขาให้โอกาสเราจริงๆอ่ะแค่1คนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นไม่มีเสียครับมีแต่ได้นะครับอย่างนึงนะครับที่อยากให้ให้รู้เลยก็คือในเรื่องของระบบบริหารเนี่ยปกติเนี่ยในในธุรกิจขายตรงเนี่ยเราอาจจะใช้คำว่าแมทชิ่งก็ดีหรือว่าจ่ายเด้งอะไรก็ตามแต่นะครับที่เนี้ยนะครับ ไอค่าบริหารเนี่ยทำไมมันถึงไม่จ่ายเพิ่มปกติมันควรจะเป็นแบบถ้าคนนี้ได้ร้านนึงเราจะได้ 10% เราก็ควรจะได้อีก 10,000 แแต่เขาก็ได้ร้านหนึงเต็มเต็มใช่ไหมผมบอกเลยฮะระบบแบบนั้นเนี่ยจะทําให้บริษัทโอเวอร์เพイเพราะว่ามันจ่ายเกินนะครับผมมองว่าตรงนี้ฮะเป็นการเป็นการคิดระบบบริหารที่ค่อนข้างถูกต้องแล้วนะครับแล้วก็ปลอดภัยสําหรับทุกคนด้วยนะครับทุกคนต้องเข้าใจกันว่าถ้าวันนี้เราไม่มีระบบหรือบริษัทล้มเนี่ยคุณว่าคุณปลอดภัยไหม ต้ อ, อยากให้ทุกคนนะฮะลดลดความอยากได้ลงคือบางครั้งคนไทยกลัวเสียเนาะแต่ไม่กลัวได้ะฮะวันนี้เราต้องลดความอยากได้ลงเพื่ออะไรนะต้องเข้าใจว่าเพจคิมันเป็นช่องทางทําเงินมันมีซิสเต็มซิสเตต้องมีเงินหมุนเวียนในระบบถ้าเงินขาดออกจากระบบระบบอยู่ไม่ได้เราก็จะทําเงินที่ไหนฮนะวันนี้โอมออกแบบซิสเต็ตัวนี้ออกมาให้ง่ายมากแล้วเป็นช่องทางทําเงินที่ง่ายแล้วก็ดีที่สุดเท่าที่ผมเคยเจอแพลตฟอร์มแบบนี้มานะครับเราเคยเจอธุรกิจขายตรงมาเยอะแยะมากมายเราเคยเจอธุรกิจเน็ตเวิร์ก Marketing มาเยอะบางคนเคยไปทำมันนี่เกมมาบางคนเคยทำเทรดหุ้นเทรดนู่นเทรดนี่มาแล้วก็ไม่เป็นมืออาชีพก็คุณก็เจ๊งคุณก็ลงนะครับเพราะฉะนั้นครับอยากให้ทุกคนนะฮะมั่นใจว่าระบบการบริหารคนกับคนเนี่ยนะครับบริษัทไม่ได้แบกรับพอบริษัทไม่ได้แบกรับปุ๊บเงินสามารถจ่ายได้จากคนสู่คนเช่นกันนั่นหมายความว่าวันนี้บริรไม่ลงครับจ่ายไม่เกินน สกดูดีนฮะ 1, 2, 3, บริษัทไม่มีข้อไหนจ่ายเกินสั ก, ส ก, ส ก, สกอันเลยนะครับนั่นหมายความว่าเมื่อเกิดการสร้างรายได้ตามเงื่อนไขนะครับเงินเข้าสู่กระเป๋าคุณแน่นอนอย่างน้อย 90% แหละนะครับจากที่ผมแจกแจงมาตรงนี้นะฮะคืนสู่ยูสเซอร์นะครับอีเนี้มันเป็นเรื่องระหว่างยูสเซอร์กับยูสเซอร์นะครับก็คือค่าบริหารของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นมันจะไม่เกี่ยวกับบริษัทนะครับงั้นแสดงว่า 7% นะครับ ที่เหลือจากตรงนี้นะฮะจ่ายแหวนเป็นมูลอ่าเป็นภาษีมูลค่าเพิ่มให้เราแหวนจ่ายที่ไหนฮะสัมพาระเพราะฉะนั้นถูกกฎหมายแน่นอนนะครับถ้าใครเห็นผมลงรูปภาพเนาะที่คุณโอมเขาไปจ่ายสัมพาระมาเมื่อประมาณเมื่อวานนี้มั้ฮะเมื่อวานนี้น ะ, ะผมเพิ่งลงรูปที่เขาไปจ่ายสัมพาระที่บางละมุงมานะครับเขาไปจ่ายตัวนี้แหละฮะให้พวกเรานะครับเพราะฉะนั้นถ้าใครถามว่าเฮ้ยมันถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้ามันจ่ายภาษีถูกต้องตามกฎหมายแน่นอนฮ ะ, ะมันถูกกฎหมายอยู่แล้วนะครับ สเนะครับเข้าซิสเต็มนะครับซิสเต็มถ้าใครได้ดูในคลิปที่แล้วที่ผมไลฟ์สดเนาะบางคนบอกว่าเออแล้วแบบนี้บริษัทได้กําไรน้อยจังสามเองมาจิ้นต่ำมากแล้วบริษัทอยู่ได้ไงบริษัทไม่ได้อยู่ได้ด้วยเงินนะบริษัทมาจิ้น 3% มเนตี่ยมันต่ำมากนะครับบริษัทอยู่ได้ด้วยมูลค่าของการใช้งานของยูสเซอร์ทุกคนที่อยู่ตรงนี้ถ้ายูสเซอร์สามารถทํารายได้ได้มากนะครับมีการใช้งานมากขึ้นมีการบอกต่อมากขึ้นนะครับ ซิสเต็ตัวนี้มันจะมีกําไรเพิ่มขึ้นจากมูลค่าการใช้งานของแต่ละคนนะครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงบริษัทฮะไม่ต้องห่วงแพทคิวคิวด้วยนะครับแพทคิวคิวอยู่ได้แน่นอนนะครับเพราะว่าณตอนนี้เนี่ยบางคนอาจจะแบบเฮ้ยทำไมเว็บมันเข้ายากจังทําไมมันใช้งานยากจังมันมันเพิ่งเริ่ม น, นะฮะแต่ว่าณตอนนี้ข้อมูลของเราผมผมเรียนตรงๆเลยฮะข้อมูลของเรานะครับมันแปะอยู่บนคลาว์ที่ซิลิคอนวัลเลย์จริงนะฮะคือโอมเขาเขามองแผนเวอร์ไว้แล้วคือบางคนเนี่ยมองภาพใกล้มาก พอมองใกล้ปุ๊บเนี่ยนะอาจจะมองไม่เห็นนะครับว่าว่ามันมีแนวนงไปยังไงนะฮะที่ซิลิคอนเวเขียนยังไงวะอ่าซิลิคอนวัลเลย์อยู่ที่ u เ a ผมต้องบอกเองครับว่าอยากให้ความเชื่อมั่นตรงนี้จริงๆถ้าใครไปเปิดไปเปิดข้อมูลของซิลิคอนเวทนะคุณจะเห็นว่า มันเป็นถิ่นกําเนิดของบริษัทที่เป็นยักษ์ใหญ่ในส่วนของโซเชียลในส่วนของเวิร์ลไวด์เวในส่วนของอินเทอร์เน็ตออนไลน์ต่างๆเยอะแยะมากมายเช่น facebook facebook เนี่ยสมัยก่อนเขาไม่ได้มีคลาวเป็นของตัวเองนะครับคลาวเนี่ยมันจะมีพื้นที่การเช่าอยู่นะครับเฟซบุ๊กเริ่มต้นจากเช่าคลาวที่ซิลิคอนวัลเล่เหมือนกันนะที่นี่เหมือนกันนะครับแต่พอมันเกิดการแตกตัวมหาศาลเนี่ยมันเกิดกําไรมันเกิดความร่ํารวยของบริษัทแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ ซื้อพื้นที่คลาวเป็นของตัวเองแล้วก็ใช้คลาวเป็นของตัวเองนะครับหรือแม้แต่กระทั่งอัลลีบาบาอัลลีบาบาก็อยู่นี่นะฮะอยู่ที่ซิลิคอนเวเล่นะบริงย่าคูมีอะไรนะ Google นะครับหรือแม้แต่กระทั่งนะฮะถ้าคุณไปดูนะโอ้มันมีเยอะมากเป็นร้อยบริษัทเลยนะครับบริษัทไอทต่างๆอยู่ที่ซิลิคอนเวเลเยอะมากนะครับอยากให้เข้าใจอีกนะครับว่านะครับความเชื่อมั่นของเซิร์ฟเวอร์เนี่ยผมบอกเลยนะว่าผมมีร 0% อ แต่ทีนี้บางคนอาจจะยังไม่รู้นะฮะอาจจะคิดว่าเป็นคอมตั้งโต๊ะอยู่แถวสะพานไฟายหรือเปล่าไม่ใช่นะฮะอยู่ซิลิคอนเาเลน์จริงคราวเราอยู่ที่นี่ทิ้งนะครับอีกหน่อยนะครับเมื่อมีการใช้งานมากขึ้นเมื่อบริษัทมีกําไรหรือตัวตัวเซิร์ฟฟอบิทเนี่ยที่เป็นเจ้าของซอฟต์แวร์แผ่นคเนี่ยเขามีกําไรจากการใช้งานมากขึ้นเนี่ยเราก็จะเปิดคราวของตัวเองนะครับทีนี้เนี่ยเมื่อมันเว r ร์ลไวดเมื่อมันเปิดเว r ร์ลไวดเนี่ยผมบอกเลยว่าคราวนี้คนไทยอา จ, จะมีเงินเยอะมากถ้าคุณเข้าใจอย่างเนี้ยออีกหน่ คนจะไม่ติดคนจะไม่ติดเขียนสเตตัสแล้วนะฮะคนจะไม่ติดเขียนสเตตัสแล้วนะครับผมบอกเลยฮะคนจะไม่ติดเขียนสเตตัสเพราะว่าเขียนสเตตัสไม่ได้เงินฮรคนจะติดสร้างคอนเทนต์ครับเพราะว่าคอนเทนต์เขียนแล้วได้เงินเนี่ยนะติดตรงนี้คอนเทนต์เขียนแล้วได้คุณภาพคอนเทนต์เขียนเขียนแล้วได้ผมใช้คำว่าคนจะติดสร้างคุณภาพในในการสือ่อสารมากขึ้นเขาจะมีการคิดว่าเฮ้ยเราจะต้อง คิดหัวข้ออะไรอ่ะที่คนเนี่ยเข้ามาดูของเราแล้วเขาเขาเข้ามาอ่านแล้วเขาชอบอ่ะคนจะมีวิธีการในการที่จะเรียบเรียงคำพูดสื่อสารออกมาในแบบที่มีจินตนาการที่ดีขึ้นแต่สเตตัสถ้าเราสังเกตใน Facebook ่ะเละตุ้มแป๊ะไปหมดบางคนเขียนคำคมดีๆบางคนใส่ข้อความดีๆเขาไม่เคยได้อะไรเลยกดกดไลค์น้อยๆแต่เชื่อไหมฮะถ้าวันหนึ่งเนะี่เขาเปลี่ยนพื้นที่มาสร้างคอนเทนต์แนผมบอกเลยว่า คำคมเหล่านั้นวิธีคิดดีๆเหล่านั้นไอเดียเหล่านั้นเนี่ยจะกลายเป็นมูลค่าทางอินเทอร์เน็ตมหาศาลมากสําหรับตัวเขานะครับแค่วันนี้นะฮะความมั่นใจของเรานะครับเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราวางแผนที่จะเวิ์ไวนะครับอยากให้ทุกคนนะฮะมั่นใจนะครับตั้งแต่รายได้ข้อที่หนึ่งเลยนะครับหนึ่งสสามสี่ห้านะครับรายได้ที่ห้าต้องไปคุยเื่อนไขบริษัทยังไงก็ได้อยู่แล้วนะครับทีนี้บางคนผมต้องบอกนี้ก่อนว่านะฮะเข้ามาใหม่วันนี้มีไหมฮะ เดี๋ยวก็ต้องถามก่อนเข้ามาใหม่วันนี้มีไหมก็อยากจะทักทายสําหรับคนใหม่ด้วยนะครับแล้วก็สวัสดีคนเก่าด้วยนะฮะไม่ไม่รู้ได้ดูอยู่หรือโอเคนะครับทีนี้ผมผมอยากให้ทุกคนมองภาพนี้ก่อนนะครับภาพที่เพจ q, q ิเนี่ยนะครับสําเร็จรูปเอ่อบางคนถามว่าเพจค q วเนี่ยเมื่อไหร่จะเสร็จผมต้องบอกนะครัว่ามันไม่มีวันเสร็จนะครับ สำหรับตัวโซเชียลเน็ตเวิร์กเนี่ยมันจะต้องถูกพัฒนาไปเรื่อยคุณสังเกตดูดีๆนะว่าถ้าสมมติว่าวันนี้เนี่ยเราเราทําแล้วมันเสร็จอะคือระบบมันก็จะไม่มีการพัฒนาจริงไหมแต่ผมต้องบอกอย่าี้นะครับว่าเมื่อมันไม่มีเราเสร็จเนี่ยมันจะถูกพัฒนาเปลี่ยนรูปแบบไปเรื่อยๆนะเปลี่ยนรูปแบบในที่หมายถึงว่าเปลี่ยนรูปแบบหน้าเวอไวยเว็บนะฮะไม่ใช่เปลี่ยนรูปแบบการตลาดเหมือนพวกบริษัทขายตรงนะเปลี่ยนแพลนถ้าคุณเห็นบริษัทขายตรงที่ไหนเปลี่ยนแผนคุณรู้ได้รดททััันนนีะะมกําลงงจเ๊ หรือแม้แต่กระทั่งนะครับบางคนเนี่ยนะฮะก็ยังไม่ยังไม่ชัวใช่ไหมว่าหนึ่งพันของเราจะสร้างร้านได้จริงนะอันนี้ผมก็บอกให้บอกให้ลองดูแล้วกันนะครับว่ามันจะเป็นยังไงนะครับถ้างั้นอย่างนี้ก่อนฮะแสดงว่าข้อดีผมให้ดูอย่างนี้ก่อนฮะข้อดีนะครับของการทำเพจคิวคเนี่ยหนึ่งนะครับอย่างนี้แล้วกันข้อดีนะครับหนึ่งเลยคุณได้รายได้แบบพาสซีฟ ใครไม่รู้จักคำว่า passive income บ้างฮะหลายคนผ่านมาหลาบริศศษัทถูกขา ย, ายความคิดเนี้ยนะ passive income รายได้แบบเสือนอนกินนะฮะ passive income เกิดขึ้นแน่นอนครับเมื่อ service system เกิดขึ้นเมื่อมีผู้ใช้งานเกิดขึ้นทุกคนมีการ post ทุกคนมีการเปิดซ้ำ social network มีการใช้ใช้ซ้ำตลอดเวลานะครับวันนี้คุณเปิดมาหลายๆคนน่ต้องเริ่มสังเกตตัวเองนะว่าติดเพจหรือยังเฮ้ยเขาไม่ได้รู้สึกงุก่ะคือคุณติดแล้วนะ คือคุณติดเพจคิวเรียบร้อยนะครับไอตัว Service System มเนี่ยมันทำให้คุณเนี่ยเมื่อมีการใช้ซ้ำเนี่ยคุณจะมี passive เดือนละ6กล้านเมื่อเต็ม2ี่ิบชั้นนะฮะหล้านบาทนะครับคือยังไงยังไงมาแน่นอนนะครับรายได้แบบ passive income คุณมาแน่แจากการใช้งานแสดงว่าวันนี้สิ่งที่คุณต้องสร้างอ่ะสิ่งที่คุณต้องเอาแรงบวกเวลาเนี่ยนะไปสร้างเป็น a s s e t เนี่ยอของคุณในเพจค q มีอะไรบ้างฮะ มันมีนะถ้ามันไม่มี asset มันจะเป็นไรายได้แบบพาสซีฟไม่ได้นะครับแสดงว่า asset ของคุณหนึ่งเลยก็คือคนครับ human asset นะครั บ, assets, รบ mm hmm. เาเรียกว่า human asset นะครับ human asset ก็คือคนเนี่ยที่ทได้เหมือนเรานะครับสองเลยก็คือ content นะครับ content ที่คุณสร้างเนี่ยเป็น a s นะคุณรู้ไหม content ที่คุณสร้างเนี่ยผมยกตัวอย่างเสมอเช่นวิธีการทำข้าวมันไก่ของผมนะฮะถ้ามีคนกดเข้าไปทามีคนกดเข้าไปเปิดใน Google แล้วมีคนเข้าไปดู content วิธีการทำข้าวมันไก่ของผมเนี่ย ผมก็จะได้รายได้จาก View Content แสดงว่าวิธีการทำข้าวมันไก่หรือคอนเทนต์ของผมอ่ะมันเป็นแอสเซทที่ทำเงินให้ผมไงนะครับแสดงว่าวันนี้ฮะคุณจะได้รายได้แบบพาสซีฟแน่นอนในข้อแรกเลยนะครับรายได้ของคุณนะฮะเป็นพาสซีฟแน่นอนนะครับต่อเดือนนะครับบางคนได้ต่อวันนะครับโอเคนะฮะสำหรับข้อที่1่ผ่านนะฮะในเรื่องของพ a สซีฟนะครับในเรื่องของรายได้แบบพสซีฟ 2ก็คือนะครับสำหรับตัวเพจคิคิวเนี่ยมันมีแพสซีฟแล้วเนี้ยแพสซีฟนะนะผมช็อตโน้ตไปนิดนึงนะฮะไปเดี๋ยวช็อตโน้ตไปตรงนี้ดีกว่านะฮะแพสซีฟนะครับไม่ตีเส้นดีกว่าแพสซีฟนะครับตัวที่2ครับที่ผมจะพูดถึงคือตัวนี้คำนี้เลยฮะ a s s i v e ปกติคุณเคยได้ยินแต่ Passive Income ใช่ไหมคุณเคยรู้จักคำว่า m แมสซีฟไหม Massive คืออย่างนี้ฮะ กลุ่มตลาดเป้าหมายมันมีมากคุณลองมองย้อนกลับไปนะฮะบางธุรกิจเนี่ยที่ลงทุนเป็นแบบ 30,000 4 0,000 หลักแสนเนี่ยคุณว่าคนทําได้ทุกคนไหมหรือแม้แต่กระทั่งธุรกิจที่เป็นอันนี้ไม่ได้ว่านะธุรกิจที่เป็นอาหารเสริมหรือสกินแคร์หรือแม้ะกระทั่งพวกเทรดหุ้นอะไรเงี้ยหรือว่าพวก f o เล็ต่างๆ ส, าสกุลเงินดิจิตอลต่างๆนะฮะคุณว่ามีคนทําได้ทุกคนไหมครับผมบอกนะฮะไม่ทุกคนนะครับเพราะว่าอะไรนะฮะกลุ่มนั้นเนี่ยต้องใช้ ความรู้ความสามารถที่ค่อนข้างมากหรือว่าต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์นิดหนึ่งฮะต้องเปลี่ยนไลฟ์สไตล์ในการทำงานนิดหนึ่งครับแต่ a มส i ี e เนี่ยนะครับหนึ่งพันบาทคุณว่ากลุ่มทาร์เกตเป้าหมายโซเชียลคุณว่ากลุ่มทาร์เกตเป้าหมายที่สามารถเพย์เงินหนึ่งพันบาทได้แล้วก็ใช้โซเชียลเป็นคุณว่ามีเยอะหัหยผมบอกเลยฮะแทบไปทั้งโลกเขาสามารถเพย์ได้เขาสามารถเล่นได้ เขากดมือถือใช้ง่ายเขามีรูปแบบการใช้งานที่ง่ายขึ้นนะฮะเขาใช้โซเชียลสำหรับสร้างเงินได้ผมว่ากลุ่มตลาดเยอะพอเยอะปุ๊บเนี่ยมันจะกระจายง่ายในรายได้ข้อที่สองเราบอกว่ายี่สิบชั้นมันมีคนประมาณสองล้านคนใช่ไมครับคุณเคยเห็นบริษัทขายตรงไหนทำคนได้สองล้านคนไหมไม่มีนะ บ, บอเลยครับอยู่มาสิบปียี่สบปีผมก็ไม่เคยเห็นคนถึงสองล้านคนนะในบริษัทขายตรงนะครับแต่คุณลองดูครับ เมื่อมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กเมื่อมันเป็นโซเชียลเน็ตเวิร์กคุณว่าคนเล่นโซเชียลเน็ตเวิร์กกี่คนบนลกหลักพันล้านเนาะแสดงว่าวันนี้กลุ่มทาร์เกตของเราเราใช้คําว่าหลักพันล้านนะโซเชียลเน็ตเวิร์กคนใช้เยอะมากคนที่สามารถมีเงินจ่ายหนึ่งพันบาทได้ผมบอกนะยังไงก็แมสกลุ่มตลาดทาร์เกตของเราคือมันใหญ่แล้วมันง่ายนะครับเนี่คือข้อดีข้อที 2, ่สองของเพจยูคิวคือคนคนไหนก็ได้ที่ทํานะ ค, คนไหนก็ทําได้สําหรับตัวแมสซีฟนะครับ โอเคถ้างั้นในข้อที่2ผมผ่านนะนะฮะเพราะฉะนั้นรายได้ของเราเป็นพาสซีฟแล้วก็แมสซีฟด้วยนะฮะคือคนทำได้นะฮะแล้วก็รายได้เราก็เยอะด้วยนะฮะล้านต่อเดือนนะครับสำหรับ20ชั้นถ้าเต็มนะครับอ่ทีนี้นะฮะอ่ามาจดไปก่อนนะครับแมสซีฟนะครับที่สำคัญคือนะครับข้อที่3มนะฮะคือช h o ตเทอ r m มครับอ่าเขียนตรงนี้ก่อนช o r ตเทอ m s ม o r t ตเทอ T E R M โอเคช t e ตเทอมเวลาคุณเป็นนักลงทุนเนี่ย หรือว่าคุณทําธุรกิจเนี่ยสิ่งหนึ่งเวลาคุณลงทุนไปแล้วอ่ะคุณต้องการอะไรก่อนคืนทุนจริงไหมโอเคที่นี่นะครับลงทุนเทนะ่าไหร่ฮะลงทุนหนึ่พถ้าเรามองแบบไม่หาภาษีเนาะคุณชวน2คนคุณคืนทุนแล้วนะหนึ่พันเรียบร้อยคืนทุนแล้วเร็วไหมฮะผมบอกเลยเร็วมากคืนทุนแล้วแสดงว่าที่เหลือคืออะไรครับเมื่อเกิดการคืนทุนที่เหลือก็คือกําไรครับ บางคนนะผมเห็นลงทุนสามสี่หมื่นทุกวันนี้ยังไม่ได้กําไรคืนเลยนะฮะมีนะฮะไม่ต้องยิ้มนะฮะผมรู้อยู่นะฮะอาจจะแอบฟังอยู่แล้วก็หัวเราะในใจนะครับกูนี่แหละใช่ไหมกูยังไม่คืนทุนเลยใช่ไหมฮะมีไหมเดี๋ยวดูก่อนสิไหนรอดูคอมเมนต์สิมีไหมมีใครลงทุนสามสี่หมื่นลงทุนหลักแสนแล้วยังไม่คืนทุนต้องไหมมีไหมฮะช้า อ, อยู่มีนะเห็นอยู่นะเห็นเห็นกันอยู่นะครั บ, อรบโอเคแปลว่าวันนี้ยช็อตเทอร์มคืนทุนแล้วะที่สําคัญคือตรงนี้ ความสําเร็จมันต้องมาแบบช็อตเทอมด้วยความสําเร็จมันต้องมาแบบช็อตเทอมด้วยแสดงว่าคุณดูนะครับหนึ่งพันบาทของเราเนี่ยผมให้มองอย่างนี้ก่อนนะครับบางคนเนี่ยออกไปทํางานเนี่ยเดือนหนึ่งเนี่ยเขาได้รายได้หมื่นห้าชีวิตแบบตกต่ำมากเลยนะนะผมไม่ได้บอกนะครับว่าการทํางานประจําเป็นอาชีพที่ไม่ดีผมบอกว่าอย่างนี้คนะความสําเร็จของแต่ละคนอ่ะมันมีโดสไม่เท่ากันนะครับ อย่างของผมเนี่ยนะฮะถ้าผมได้เงินเดือนละหมื่นห้าผมชีวิตผมก็ตกต่ำเลยเพราะว่าฟิกคอสผมเยอะกว่านั้นเยอะนะฮะแสดงว่าความสําเร็จวันนี้จากเงิน1น0 0งบาทเราถ้ามันสามารถแปลงเป็นเงินอีกกระเป๋าหนึ่งได้เช่นนะฮะคนคนนี้อาจจะเป็นพนัก ง, งานประจําอยู่นะครับเขามีการลงทุนอย่างนี้และเขามีเงินเฉลี่ย ว, วันละหนึ่พันบาทต่อวันแสดงว่าเดือนหนึ่งเขาได้เงินสามหมืนบาทคุณว่าเขาสําเร็จหรือมาไกล ก, กว่าเดิมหมสามหมื่นบาทต่อเดือนกับหมื่นห้าต่อเดือนในงานประจํา อีกกระเป๋าหนึ่งรวมกันได้4ี่หมื่นห้าแบนี้ครัคุณว่าชีวิตเขาสําเร็จขึ้นไหมฮะชีวิตเขาอยู่ดีขึ้นไหมอยู่ดีขึ้นเนาะจริงไหมนะฮะเพราะฉะนั้นอย่างนี้ก่อนครับบางคนเนี่ยนะครับเข้าใจโดสของความสําเร็จผิดนะฮะความสําเร็จที่นี่มันจะมาเร็วนะคุณลองทําดูสัก1เดือนในรายได้ข้อที่1ถึงสี่ผมบอกเลยฮะยังไงคุณก็ได้เงินเยอะกว่าเดิมแน่นอนคุณลองทําสัก3เดือน4ี่เดือนเดี๋ยวคุณก็จะรู้นะฮะว่าชีวิตคุณเปลี่ยนไปจริงๆนะครับความสําเร็จมันมาระยะสับ ให้เรามองเองกันนว่าต่อให้มันเป็นสามถึงสี่ปีนะที่คุณจะมีแอสเซทจากตรงเนี้ยเสร็จสามสี่ปีนี้ยที่จะทำให้คุณมีแพสซีฟเดือนละหกล้านได้คุณว่าสามสี่ปีนี้ยคุณสําเร็จไหมถ้ามีคุณมีแพสซีฟเดือนละหกล้านได้ตอบตอบตัวเองแล้วกันเนาะแต่ถ้าวันนี้สามสี่ปีเนี่ยต่อให้มันเป็นระยะเวลาทเท่ากั น, นแล้วคุณมีแค่เดือนละหกหมื่นต่อเดือนคุณว่าคุณมาไกลกว่าเดิมไหม ในชีวิตของเราหกแสนต่อเดือนมากลกว่าเดิมไห้ยรัแต่ถ้ามันได้6กร้ายต่อเดือนชีวิตของคุณไม่โคตรสบายเนีฮยผมบอกเลยนะครับเพราะฉะนั้นนะความสําเร็จที่นี่มันจะมาเร็วมากนะครับให้สังเกตจากการทํางานนะฮะ บ, บางคนที่เขาทําได้เนี่ยที่เขามีการทำรายได้ข้อที่1ถึงสี่เนี่ยผมบอกเลยฮะผมเห็นอยู่ใน Facebook เยอะมากนะเพื่อนผมที่ทำเพจคิวคเนี่ยนะฮะสมาชิกที่ทำเพจคิวเนี่ยวันหนึ่งเขามีเงินเข้าเดือนละวันละสองพันวันละหนึ่งพันวันละห้าร้อยเงี้ยชีวิตเขาก็มากลกว่าเดมครับ สำหรับความสำเร็จที่นี่สั้นๆระยะาสั้นคืนทุนเร็วนะครับโอเคไหมครับสำหรับตัวนี้นะฮะสำหรับตัวเพจคิวนะครับแสดงว่ามันช็อตเทอ r m มเนาะช็อตเทอมตัวที่สี่นะครับที่ผมอยากจะให้เพื่อนๆดูนะฮะขออนุญาตดูนิดนึงนะฮะตัวที่สี่นะครับที่จะให้เพื่อนๆดูก็คือตัวนี้ครับเขาเรียกว่าคอนเซิร์นฟรีครัคอนเซิร์นเขียนไงวะเขียนคอนเซิร์นอ่าฟรีคอนเซิร์นแปลว่าความเครียดเนาะ ฟรีคือไม่เครียดอะวันนี้หนึ่งพันบาทคุณจ่ายไปลงทุนกับเพจคิวคิวถามจริงๆใครเครียดบ้างหนึ่งพันกลัวไม่ได้ทุนคืนกลัวหาคนไม่ได้กลัวนั่นกลัวนี่เครียดโอ้โหเครียดเพื่อหนึ่งพันเนี่ยบางคนนะฮะเอาไปทำสีผมก็หมดแล้วนะหนึ่งพันเนี่ยค่าทำสีผมเท่าไหร่เธสองพันกว่าใช่ไหม ผู้หญิงสองพันสามพันไปกินชาบูก็หมดแล้วนะมื้อหนึ่งเนี่ยนะหนึ่งพันบาทบางคนไปกินอาหารญี่ปุ่นนะคะาบเดียวก็หมดแล้วนะบางคนเนี่ยนะหนึ่งพันบาทนะเผือแว บ, บเดียวเกี้ยงเลยแต่คุณลองนึกภาพนะันนี้หนึ่งพันบาทคุณคุณเอามาลงทุนทนี้แล้วเปลี่ยนมันเป็นหลักล้านได้เปลี่ยนเป็นหลัก ห, หลายหมื่นหลักหลายแสนหลักหลายหล้ า, านได้คุณว่าวันเนี้ยเครียดเหรอหนึ่งพันต่อให้คุณทาให้สําเร็จนะคุณก็เจ๊งแค่หนึ่งพันถึงไหม แต่ถ้าวันนี้คุณลองนึกผ่านคุณเอาแสนหนึ่งอ่ไม่ไม่เอาไม่เขียนแสนแปดพันเดี๋ยวมันจะเข้าขายเกินไปนะฮะเขียนแสนหนึ่งแล้วกันแสนหนึ่งแล้วกันบางคนอาจจะหัวเลาะอยู่นะฮะบางคนอาจจะหัวเลาะอยู่นะะแสนแปดพันพอพูดถึงแสนแปดพันปุ๊บหัวเลาะเลยน ะ, ะไม่ไม่ไม่พูดเรื่องนี้นะไม่พูดเรื่องนี้นะโอเคครนะสมมุติคุณเอาหลักแสนไปลงทุนเนี่ยคุณคิดอะไรก่อนเลยเวลาคุณลงทุนเสร็จปุ๊บคุณ ใช่ไหมว่าแหละได้ปุณนึงนาทีนะแล้วคุณเครียดไหมเครียดใช่ไหมใครที่จะมาลงทุนหลักแสนแล้คุณได้บ้างมีน้อยไหมก็กลุ่มนักลงทุนกลุ่มคนที่มีเงินแต่มันไม่แมสใช่ไหมมันไม่แมสใช่ไหมแล้วคุณก็เครียดด้วยเพราะว่าคุณคืนทุนช้าคุณเครียดนะครับบางคนเนี่ยผมยกตัวอย่างง่ายๆนะลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ก็ได้นะฮะรีเทิร์นพิเลียตเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแปดถึงสิบปีเนาะนะสมมุติว่าลงทุนในอสังหาริมทรัพย์นะฮะ รีเทิร์นพิเลียดเนี่ยน่าจะอยู่ประมาณแปดถึงสิปีกว่าที่คุณจะได้ทุนคื น, สนแสดงว่าแปดถึงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยมาจิ้นน้อยมากสนแสดงว่าสิบปีสิบปีคุณรอได้ไหมสิบปีมันไม่ใช่ช็อตเทอมแล้ ว, วความสำเร็จคุณสิบปีมันไม่ใช่ช็อตเทอร์มนะสิปีคือลองเทอร์มนะเพราะฉะนั้นนะสิบปีที่คุณคืนทุ น, สนแสดงว่าปีที่สิบเอ็ดคุณถึงจะกำไรเนาะผมว่าเราคงไม่ฝากความสําเร็จของเราไว้ขนาด10ิปีขนาดนะั้นเนาะเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ บางคนบอกโอ้พี่ผมบายตั้งแต่หนึ่งมื่นแล้วแต่หนึ่งพันผมเอาโอเคนะไม่เครียดครับการลงทุนที่นี่ไม่เครียดเลยฮะนะครับแล้วยิ่งมีผมเป็นผู้นําด้วยนะฮะไม่เครียดใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เข้าเข้าตัวเองนิดนึงนะฮะมุกไม่หาพาเพื่อนเครียดอีกแล้วกูนะฮะอ่าคอนเซิร์นนะฮะคอนเซิร์นฟรีนะครับที่สําคัญครับข้อสุดท้ายนะครับที่ผมอยากจะบอกว่าวันเนี้ย ทำไมเพจฮิวคิวอ่ะมันถึงสร้างหลักล้านให้คุณเพราะว่ามันใช้หลักการ Leverage ครับ Leverage Power อ่ะโอเคถ้าวันนี้นะคถ้าวันนี้นะครั บ, นน ค, รบคุณทำธุรกิจนะครับหรือมีการทำงานที่เป็นลักษณะของ Single Power เนี่ยคุณจะเหนื่อยมาก Single คืออะไรครับ Single คือคนเดียวเนาะก็คือตัวเราเนี่ยเช่นอะไรครับทำธุรกิจส่วนตัว คุณลงทุนคนเดียวคุณทำงานคนเดียวคุณบริหารคนเดียวเหนื่อยไหมฮะที่เปิดร้านพิซซ่าอยู่มุกดาหาร <c oughs> เหนื่อ ย, ยไหมฮะเหนื่อเนาะไหมเพราะว่าวันนี้มันสิงเกิลพาวเวอร์แมค่คุณแม่ก็ยังยังยังไม่เห็นมานะอะ่ะโอเคกลับมาที่ก่อนนะฮะกลัาที่สิงเกิลพาวเวอร์นะฮะิงเกิลพาวเวอร์ก็คือเราทาคนเดียวเราเหนื่อยนะเราแบกรับทุกอย่างไว้คนเดียวรับแบกรับอะไรบ้างแบกรับความเครียดแบกรับเงินลงทุนแบกรับคา คำด่าคำชมแบกรับภาระต่างๆซิงเกมันเหนื่อยครับผมเลยให้ทุกคนเข้าใจกั่้นะว่าวันนี้นะครับมันถูกแบ่งเป็นอย่างงี้นะะนะครับกับ Mul ครับเอ่อมัลติพอนะฮะเรนะครับเราเคยเล่นเกมมฮะมันจะมีซิงเกกับ Mul ติพอยด์เพลเใช่ไอ้ตตัวนี้แหละมันหมายความว่าวันนี้มันถูกมันมีการช่วยเหลือกันแต่ละคนนะมันมีคนมันมีคนหลายๆคนเข้ามาช่วยกันทา น, นั่นหมายความว่าอย่างนี้ฮนะ multiple power กับ single power ผมยกตัวอย่างง่ายๆแล้วกันนะครับเหมือนอาว่าเปิดร้านโชว์หวย single น, นะ single มีอาว่านะอาว่าเปิดร้านเปิดร้านโชห่วยโชห่วยอย่างนี้แล้วกันโชห่วยโชว์วยนะไม่รู้มีเขียนอย่างนี้เปล่าโชห่วยนะครับแต่ multiple power ผมยกตัวอย่างง่ายเลยเหมือน อ, อันนี้แล้วกันนะไม่พูดเชื่อเขานะแต่เขียนไว้เฉยๆน ะ, ะนะพูดก็ได้นะไม่งั้นเดี๋ยวอธิบายไม่ได้นะครับ อามาเนี่ยนะฮะเปิดร้านโชงนเนี่ยวันนึงเนี่ยตเต็มที่เลยเปิดแปดโมงถึงหกโมงเย็นแล้วกันแปดโมถึงหกโมงเ็นก็คือสิบชั่วโมงนะฮะสิบชั่วโมงต่อวันนะครับสิบชั่วโมงต่อวันเซเว่นอะีเลเว่ฮะเปิดยี่สิบสี่ชั่วโมงต่อวันแสดงว่าอามาเปิดร้านวันหนึ่งเนี่ยตเต็มที่ก็ได้สิบชั่วโมงแลเพราะว่าอา玛มีคนเดียวแต่เซเวฮะเปิดยี่สี่ชั่วโมงแต่มีแปดพันสาขา คุณลองนึกภาพนะ24ชั่วโมงคูณ 8,000 สาขาใน1น่วันนะเท่ากับมากคือเปิดชาตินี้ตายแล้วเปิดชาติใหม่มาเปิดร้านโชว์หวยเหมือนเดิมแล้วก็ตายแล้วก็เปิดอีกชาติหนึ่งแล้วก็อีกครึ่งหนึ่งของอีกชาติหนึ่งถึงจะเท่ากับ7ซเวเปิดวันเดียวนะนี่ฮะคือ Multiple Power แสดงว่าชั่วโมงการทำงานใน1วันของคุณเนะ่เมื่อคุณมีจานวนการทวีคูณมหาศาลนะ่ผมบอกเลยครับว่านะฮะคุณจะสบายเลย เพราะอะไรลุงครับคุณดูตรงนี้ดีฮะทำไมที่เพจคิวควอ่ะมันถึงเป็นหลักการเลเวลคือตัวเลขมันเป็นตัวเลขตัวเลขมันเป็นศาสตร์ที่แบบเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่ล้าค่าจากพระเจ้าอ่ะที่มันไม่โกหกนะผมใช้คําว่านี้เลยนะตัวเลขไม่เคยโกหกนะมันเป็นความจริงจากพระเจ้านคุณดูนะหนึ่งแตกสองสองแตกสองคนละสองก็เป็นสี่สี่แตกสองตรงเนี้ยก็เป็นแปด 8ตรงเนี้ยก็เป็น16 16กตรงเนี้ยก็เป็น32 32ตรงเนี้ยก็เป็น64คุณดูตรงนี้ดีสมมุตินะผมสมมติตัวผมเนี่ยผมทำงานเพจคิวคิวเนี่ยวันนึงเนี่ยวันละ4ชั่วโมงลัสมมตินะผมสมมตินะวันละสี่ชั่วโมงกับใน A e, ใน A e นะฮะในเ e อทำงานประจำใน A e อทำงานวันละ10ชั่วโมงแล้วกันแสดงว่า1วันของใน A e 1เนี่ยนะฮะวันของ A e มีเต็มที่ก็คือ10ชั่วโมงไม่ได้ละไม่เกินไปกว่า น, นี้ะ ผมอะทำ4ชั่วโมงผมไปชวนในในกอกับในขอแล้วกันนะผมไปชวนในกอกับในขอทาเหมือนกันกับผมเลยคนละ4ชั่วโมงแสดงว่าในอันเนี้ยผมมีชั้นเนี้ย8ชั่วโมงนะผมมีเวลาทั้งหมดตรงเนี้ย12ชั่วโมงนะใช่ไหมฮะใน1วันของผมนะครับอ่ะในกอในขอก็ไปชวนในขอในงอในจอในมอมาแล้วกันสมมุตินะทุกคนทําคนละ4ชั่วโมงเหมือนกัน4 4 16ชั่วโมงแสดงว่า ครั้งถัดมาเนี่ยนะครับเมื่อมีการตรงนี้เกิดขึ้นผมมีอีกชั่วโมงสิบสองวกกับสิบหกเป็นยี่สิบแปดชั่วโมงนะยี่สิบแปดชั่วโมงในหนึ่งวันคุณว่าตลกนคนไรมียี่บแปดชั่วโมงในหนึ่งวันเนี่ยมันเกิดแนี้ปดชั่วโมงะอะแปดค น, นะแปดคนคนละสี่ชั่วโมงก็คือยี่สิบสี่สิบหกคูณสี่เท่ากับหสิบสี่เอ็กคูณเลขถูกไหมสสองคูณ4ี่เท่ากับร้อยยี่สิบแปดคุณดูตรงนี้ดีนะ วันนึงเนี่ยเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยทุกคนแค่ทํางานวันละสี่ชั่วโมงเ่ยผมมีชั่วโมงเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนี่ยเป็นประมาณเกือบสองร้อยอ่ะประมาณนะประมาณสองร้ยชั่วโมงแล้วกันสองร้อยชั่วโมงในหนึ่งวันเนี่ยแต่ซิงเกิลพาวเวอร์คุณมีแค่นี้หนึ่งวันแต่ในวันหนึ่งอ่ะผมทำงานแค่สี่ชั่วโมงแต่ผมมีชั่วโมงรวมประมาณสอง้อยชั่วโมงต่อ ว, วันถ้ามันเกิดอย่างเงี้ขึ้นนี่ฮะคือเลเวอร์เลชพาวเวอร์ มันจะถูกทวีคูณทวีคูณทวีคูณท ว, วีคูณไปเรื่อยเพราะฉะนั้นครับเมื่อมันเกิดทวีคูณคำถามคือมันจะได้จริงเหรอ <Yeah. S 2> ผมนะผมมีใน a กัผมมีใน b <Yeah. S 2> ผมให้น ใ, ใน a เป็นคุณก็ได้และใน b ก็เป็นคุณเหมือนกันวันนี้ตัวผมเนี่ยผมไปสร้างทีมงานตรงนี้ลงมาแล้วเนี่ยนะครับผมมีรายได้นะ สมมติแนละ้วกันสมมุติเลยนะมองไปเลยยีล้านอ่าใน A กับในบีก็ต้องมีคนละ10ล้านจริงไหมสิบล้าน10ล้านแล้วผมก็ไม่บอกว่าเฮ้ยเอยู่ <"B, you S 1> ได้10ล้านแล้วเฮ้ยบอยู่ได้10ล้านแล้วอยู่หยุดเถอะไม่ต้องทำละคุณได้10ล้านแล้วจะทําต่อทำไมอะ่ะรวยแล้วนีไม่ต้องทําคุณว่าคุณยอมไหมถ้าคุณเป็น A กับ B คุณยอมปะไม่ยอมจริงไหมสมมติมีทีมงานอยู่เนี้ยเขาได้เท่าไหร่ะอะส0 0 0สนแล้วก็แหละเขาได้ 200,000 คุณไปบอกให้เขาหยุดอะคุณว่าเขาหยุด ไม่หยุดหรอกครับเป็นคุณคุณก็ไม่หยุดจริงไหมเป็นใครใครก็ไม่หยุดจริงไหเพราะว่าเขารู้ว่าเขาทําเงินได้นะเพราะฉะนั้นฮะหลักการการทวีคูณมันก็ถูกต่อเนื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆไม่มีวันจบไม่มีวันสิ้นครับเมื่อนะฮะมีการขยายกลุ่มผู้ใชา้าไปผมบอกเนะฮะยังไงเงินก็เป็นเงินในอากาศที่จะถูกหมุนเวียนเข้ามาบางคนบอกว่าอ้าวถ้าคนใช้หมดทั้งโลกแล้วอ่ะมันจะมีไรายได้มาจากไหนอ่ะคำถามนี้ผมบอกเลยฮนะ มันจะไม่เกิดขึ้นจริงเพราะอะไรรู้ไมครัคุณว่าทุกวันนี้มีคนไม่สมัคร facebook เพิ่มหลือยในแต่ละวันก็มีครับยังไงก็มีฮะมันไม่มีวันเต็มครับเพราะว่าคนเกิดขึ้นทุกวันตายจากไปทุกวันคนเกิดขึ้นทุกวันตายจากไปทุกวันมีผู้ใช้เกิดขึ้นทุกวันนะครับไม่มีวันตายฮะ Facebook ทุกวันนี้เปิดมายี่สิบห้าปีก็ยังมีคนสมัครอยู่ทุกวันยังมีคนใช้งานอยู่ทุกวันนะครับเป็นเรื่องปกติที่มันจะไม่มีวันเต็มแต่คําถามคือต่อให้มัันนนเเเตตต็็มมมจริงๆ่อให้ลยะ คุณก็ยังมีรายได้อยู่ดีเพราะว่ามันมีเซอร์วิสซิสเตอร์มันมีการใช้งานมันมีรายได้ตื่นๆที่จะเข้ามาณนะตอนนี้เรามีแค่1 2 3 4 5ก็คือ 50% ใช่ไหมฮะสปอนเซอร์นะฮะหนึ่งเปอคูณ20ชั้นนะฮะอ่าสิค่าบริหารอ่าวิวคอน n t นต์ใช่ไหมแล้วก็เซนเตอร์ใช่มั้ยอีกหน่อยครับมันจะมีตรงเนี้ย ที่พี่มาริาชอบบอกกับผมคือตอนนี้มีประมาณ8แต่เราทำห้าเนาะมีประมาณ8ที่พี่มาริาบอกว่าอันที่8เนี้ยเป็นรายได้แบบคือมันจะเปลี่ยนลักษณะการใช้ชีวิตของมนุษย์ไปโดยสิ้นเชิงเลยเพราะว่ารายได้แบบที่8เนียผมบอกเลยว่าพลิกโลงจริงรผมก็ยังไม่รู้ว่าอะไรนะฮะจริงๆก็รู้อะแต่ไม่บอกนะเก็บไว้ก่อนนะ ค, คือพลิกโลงจริงนะครับปุูไว้ก่อนนะครับ เพราฉะนั้นครับณวันนี้หนึ่งสสามสี่เนี่ยที่เป็นเฉพาะของยูเซอร์ปกติแค่นี้ก็ทําเงินให้คุณมหาศาลแล้วนะครับจากเงินหนึ่งพันบาทนะเพราะฉะนั้นทำเดี๋ครับบอกต่อเดี๋ยครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยคนคนที่อีกหน่อยนะฮะคนก็จะวิ่งหาเพจคิวคคนก็อยากจะใช้เพจคิวคําถามคือเมื่อเขาอยากจะใช้เพจคิวเขาจะสมัครกับใครต่างหากมันต้องเป็นคุณจริงไหมนะครับถ้าเขาอยากใช้เพจคิวมันต้องเป็นเราสิเพราะเราเป็น เราเป็นเราเป็นผู้บุกเบิกอะนะทาทําให้ทุกคนเห็นครับว่าวันนี้เพจคิวคิวสามารถสร้างเงินให้เขาได้จากการใช้อินเทอร์เน็ตจริงๆนะครจากการที่คุณมีความเชื่อค่ับคุณต้องเชื่อเชื่อตัวโตๆคุณต้องเชื่อจริงๆนะว่าเพจคิวคิวอะทาเงินให้คุณได้คุณต้องเชื่อว่าคุณทําได้ด้วยแล้วคุณต้องเชื่อด้วยว่าฟิวเจอร์ของมันอะคือแบบเบอร์ไวเพราะว่าถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็จะล้าล้าล้าสมัยไปเลยนะ วันนี้ความเชื่อไม่ได้เชื่อจากคําที่ผมพูดหรอกคุณเชื่อจากความรู้สึกในหัวใจของคุณก็พอคุณเชื่อจากข้อแท้จริงที่คุณเห็นคุณเชื่อจากสิ่งที่โลกมันเปลี่ยนแปลงนะครับถ้าวันนี้นะโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของ i อโอทะโลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางของการออนไลน์โลกมันไม่ได้เปลี่ยนแปลงไปในแบบช่องทางการเงินออนไลน์คุณบอกว่าคุณไม่ต้องเชื่อผมก็ได้นะแต่วันนี้มันเป็นไปในแบบที่ผมพูดแล้วจริงเห็นไหมธนาคารก็เริ่มมีธนาคารดิจิตอล คนเริ่มตกงานมากขึ้นการเงินเริ่มฝืดเคืองมากขึ้นแล้ววันนี้คุณจะหาเงินจากอะไรคุณจะคุณจะรอคุณจะเฝ้ารอผลทางแบบไหนเพราะฉะนั้นถ้าคุณเชื่อว่าแพทคิวคิวอ่ะมันทําเงินให้คุณได้ผมบอยให้ยัคุณก็รวยผมพูดเสมอวันนี้คุณลงทุนต่ํามากเป็นข้อดีคุณลงทุนต่ํามากถ้าคุณทําเป็นคุณเข้าใจนะครับคุณก็สามารถไปสื่อสารบอกต่อได้คุณรวยแน่นอนเพราะฉะนั้นนะครับ สุดท้ายแล้วนะครับสุดท้ายจริงๆนะฮะไม่พูดต่อแล้วนะครับอยากจะฝากไว้นะครับทาทํานีนะ้คุณต้องเข้าใจเข้าใจว่ามันคืออะไรเข้าใจว่าพอย n ์ที่ผมสื่อสารเข้าใจว่าการที่คุณเข้ามาทำค q, q เนี่ยเข้าใจว่าี่เมนี่ยเข้าใจว่ามันเป็นช่องทางการทำเงินยังไงคุณต้องเข้าใจจริงๆเพื่อที่คุณจะได้ไปสื่อสารถูกคุณต้องทามันให้เป็นคุณต้องทำให้เป็นหมายความว่าคุณต้องรู้ทุกอย่าง โพสยังไงสมัครยังไงแก้ไขปัญหายังไงนะครับบางครั้งเนี่ยหลายคนผมเห็นตนกมากเลยกับปัญหาเล็กๆนะฮะปัญหาเทียมแก้ไขได้ให้ใ ห, ให้อดทนรอนะครับคุณทําเป็นแล้วคุณจะไม่ตกใจนะฮะ ร, รูปเด้งรูปอะไรพวกนี้ยถ้าคุณทําเป็นคุณจะไม่ตกใจจริงแต่ถ้าเราลดเราลดความตนกลงมาอีก ห, หนึ่งเราอดใจรอแล้วเราก็ค่อยๆถามนะว่าเอ๊ะมันเป็นยังไงมันมาหรือยังอย่างนีน้ทำเป็นนะครับจะไม่ตกใจ ที่สำพัญคือนะครับอ่าเข้าใจทําเป็นคุณต้องใจเย็นๆด้วยนะใจเย็นสําคัญมากนะครับใจเย็นไม่ได้หมายความว่ามีคนกลวตีนแล้วแบบคุณใจเย็นนะใจเย็นหมายความว่าวันนี้ความสํา็ยของคุณเนะ่ะมันมีทัมมิ่งมันมีเวลาของมันนะครับบางคนเนี่ยโอ้ ค, คือแบบใจร้อนเน่ยใจร้อนอยากจะได้แล้วก็มาถามผมว่าแล้วคุณก็ทํามาก่อนคุณก็ได้คิวเยอะแล้วสิใช่แต่กว่าผมจะทํามาได้ขนาดนี้ผมก็ใจเย็นมากนะมันมีทัมมิ่งของมัน เพราะฉะนั้น <DA> นะครับอยากให้ทุกคนนะฮะอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันนะครับก็คือในระยะข้อที่หนึ่งสองสามแล้วก็สี่นะฮะณเวลานี้นะครับใจเย็นๆฮะมันมาแน่นอนครับค่อยๆเชื้อเชิญค่อยๆ เ, เ, เรียนรูบ้บางคนแบบคือคื อ, คอไม่ทําความเข้าใจคือรู้ปุ๊บคือทําเลยชวนเพื่อนเลยแล้วก็ตอบคําถามเพื่อนไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าเพจิวคิแบบเป็นยังไงกฎหมายเป็นเรื่องอะไรรายได้มาจากตรงไหนบ้างคือคุณไม่รู้แล้วคุณก็ทำพอทำปุ๊บคุณตอบคำามไม่ได้ก็เฟล พอเฟลปุ๊บคุณก็เสียโอกาสในการที่จะแบบเดินต่อนะฮะเพราะฉะนั้นใจเย็นศึกษาก่อนฮะศึกษาให้เข้าใจแล้วก็ลองศึกษาจนทําเป็นนะฮะแล้วคุณค่อยไปบอกต่อนะฮะบอกต่อสื่อสารให้ถูกวิธีภาษานะครับในเรื่องของรายได้นะครับในเรื่องของการสื่อสารในเรื่องของช่องทางที่มันเป็นนะฮะเมื่อคุณบอกต่อผมบอกเลยฮะยังไงคุณก็สักเซสเพราะว่าคุณบอกต่อด้วยความเข้าใจอะแล้วคุณก็ทําเป็นด้วยคุณตอบข้อโต้แย้งได้ คนน่ยที่เขาปฏิเสธเพราะว่าเขามีข้อโต้แยง้งใช่ไหมข้อโต้แยง้งถ้าคุณทําให้ข้อโต้แย้งนี้ยหายไปได้เขาคุณว่าเขาเอาคุณเขาซักเซสคุณแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับคุณต้องเข้าใจทําเป็นนะฮะใจเย็นๆนะไม่ต้องรีบร้อนแล้วก็บอกตอบนะครับถ้างั้นก็สําหรับไลฟ์วันนี้นะครับก็ขอบคุณนะครับพี่ๆทุกคนนะครับสมาชิกทุกท่านนะฮะที่ดูคลิปนี้อยู่นะฮะคลิปนี้ตอมจะไม่เอาลง youtube นะครับสําหรับ คนที่เข้ามาดูก็ขอให้ให้เป็นกำไรความคิดไปนะครับก็ถ้างั้นสรุปนะฮะวันนี้ได้อะไรบ้างนะครับต้องสรุปเนาะไม่งั้นเดี๋ยวลืมนะฮะบางคนก็ไม่จดนะฮะบางคนดูเฉยๆนะครับพอพอตรงนี้เสร็จไปปุ๊บก็ลืมนะฮะโอเคนะครับแสดงว่าวันนี้สิ่งที่เราได้หนึ่งในเรื่องของ Mindset นะครับไมล์เซ็นะมีแล้วฮะมีจัสซ็อฟเฟใช่ไหมจัสซ็อฟเฟอร์เป็นเพียงข้อเสนอ นะครับเป็นเพียงข้อเสนอไม่ซื้อความคิดใครไม่ซื้อเรื่องราวไม่ซื้อสตอรี่ใครนะครับใครจะไปเจ็บช้าที่ไหนมาเราไม่รู้นะเพราะว่าวันนี้เรามั่นใจว่าของเราคุณลงทุนห0 0่คุณไม่ได้เจ็บช้าแน่นอนถ้าคุณเอาคุณก็ได้ถ้าคุณไม่เอาคุณก็ไว้ก่อนนะฮะเป็นข้อเสนอนะครับแล้วก็เป็นสถิตินะฮะทุกอย่างเป็นสถิตินะฮะเป็นสแต็กนะครับไม่มีอะไร 100% นะครับแล้วก็เป็นคอร์สอินเดอะแมทเทอร์นะครับอินเดอะแมทเทอร์นะฮะ ตัวเราเป็นต้นเหตุของความสำเร็จและความล้มเหลวของตัวเราเองนะฮะไม่ว่าจะเป็นใดๆก็ตามในชีวิตนี้นะครับไม่ใช่เฉพาะเพจคิวคิวนะฮะไม่ว่าใดๆในโลกนี้3ข้อเนี้ยเสมอนะครับอ่ะไม่อ่จากนั้นก็รายได้ข้อที่1ถึงข้อที่ข้อที่4นะครับ1 2 3 4มนะฮะคุณมั่นใจแล้วนะครับว่าบริษัทจ่ายได้แน่นอนไม่มีโอเวอร์เพย์นะครับจากนั้นคุณก็ต้องเข้าใจด้วยว่ามันเป็นพ a สซีฟนะฮะข้อดีของมันนะฮะเป็นพสซีฟ ที่แมสซีฟคือมีมากพอนะครับลายได้แบบเสือนอนกินแบบที่คนสามารถทําได้มากพอกลุ่มตลาดแทร็เก็ตเยอะนะครับแมสซีฟแล้วก็ช็อตเทอมนะครับช็อตเทอมนะฮะความเสถียรมารวดเร็วคืนทุนเร็วนะครับคอนเซิร์นฟรีนะครับคือคุณไม่เครียดนะครับที่สาคัญคือมันเป็นเลเวลเลช์พาวเวอร์นะครับที่จะเป็นคาน่อนแรงให้กับคุณนะครับโอเคนะครับสําหรับวันนี้สวัสดีครับตามหงมีคําถาม โ อ, อ้ก่อนก่อนจะไปใครมีคําถามอะไรไหมเราตอบคำถามนิดนึงนะฮะเราตอบคําถามหน่อยนะครับเราตอบคาถามหน่อยนะฮะยังไม่ไปตอนนี้นะฮะใครมีคําถามเขียนมาเลยนะฮะมีไหมมีคําถามไหมไ ม, มีคําถามไปแล้วนะมีไหมให้โอกาส ไม่มีเนาะถ้าไม่มีก็ขออนุญาตจบเท่านี้นะครับสวัสดีครับเดี๋ยนะดีวเลย